คม 2,534 ก็คงพูดเรื่องปัญญาบา ร, รมีตามเดิมคำคำว่าปัญญาบา ร, รมีไหมต้องกว่าบา ร, รมีเต็มเหม็นมบารมีเขาแว่าเต็มกำลังใจเต็มไปด้วยปรรยัญญาคนเราทุกคนมีปรรัญญาถ้าไร้ปัญญาก็เป็นคนไม่ได้เห็นไห หนึ่งรู้จักขี้ทำมาติขี้ก็กินขี้นี่เป็นขี้ของสัญยาก็แปลว่าทุกคนต้องมีปัญญาถ้าบอกปัญญาบารมีบารมีไปว่าเต็มแต่ว่าก็เต็มไม่เท่ากันเต็มขั้นชาลกีเต็มขั้นปะโสดาบันเต็มขั้นพระสิาขาธรรมี เต็มขั้นพ่าอนาคามีเต็มขันพระราษนี่เต็มเปี่ยมใช่ไหนนี้เ่าคืนนี้เราพูดกันบ้องมีญาปรมีตอนต้นยังไม่ถึงปสุตดาบันความจริงปัญญาปรมีตอนต้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าใครเขาทำบุญคำว่าบุญนี่แปลว่าความดีแป่ตรงตัวนะ บาปนี่ก็แปลว่าความชั่วความชั่วทุกอย่างแปลว่าบาปความดีทุกอย่างแปลว่าบุญเมื่อคืนได้ยกตัวอย่างอย่างก็คนที่นั่งนั่งอยู่ไม่มีกระตังมาจะทำบุญกับเขาก็ไม่มีเงินจะทำอยากจะทำเหมือนกันก็ดีใจกับคนนี้เขาทำ เขาทำก็โมทนาด้วยครับว่าโมทนาเนี่ไม่ไช่หมายความว่าต้องยกมือเสมอไป uh huh. เอาใจเขาไปยินดีกับเขา uh huh. โมทนาไปยินดี uh huh. เขาใจิตใจยินดีกับเขาด้วย uh huh. แค่ใจยินดีกับเขาก็มีมานใหญ่มหาศาลแล้วก็สวยด้วย uh huh. อย่างเพื่อ น, น้านงวิสาขาขาคอซ้ำมาคืนหน่อยนะ uh huh. คนหน้าใหม่มี เพื่อนข้าวนาวิสาขาปรากฏในพระไตรวิฎกในวิมานวัตถุพ<อ> ว, ว่าพระโุกคลลาพาาระอรหันต์องค์ใด อ, องค์หนึ่งนะท่านขึ้นไปแล้ววิมานนี้ท่านไม่เคยพบพระโุกคลาได้ไม่พบไม่เหมียพระไปทุกคืน<อ>ไปเที่ยวนรกรล้วไปเทียวสวรรค์แล้วมาแจ้งข่าวกับชาวบ้านว่า<อ>ญาติของท่านที่ตายไปชื่อนั้น<อ>ชื่อ น, นี้นะไป<อ>รบอะไรตาย<อ>เวลานี้อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนี่อยู่ที่นี่<อ>เขาสั่งมาอย่า ง, างนี้ ยังไม่พุทธเดชีจะอีกฉาทีด้วยแท้ข่าพุกคลาตายแล้วพระเจ้าจะหมดทางวันนั้นท่านก็ไปจะวิมานวิเศษคือใหญ่คนนี้แกเพิงตายเพิ่งตายไปก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าปบนสวรรค์นี่ดาวเทนเตยโลกไม่วิมานใหญ่มากใหญ่มหาศาลเลยนะสวยสดก็งามขนาดแบบสารพระภูมิได้ไอสารพระภูมินี้เขาทำท่าโบทอ์เมื่อก่อนนั้นฉันทําสารพระบาลสั่งทําสารใช่ไหม จะเอารองทางหน่อยสายประจำวัดไปสร้างวัดที่ไหนท่านต้องทำสารสารของวัดนี่ต้องอยู่ทิศตะวันตกตะวันสารสี่เสาหรือหกเสาฉันก็ทำหกเสาก ว, ว้างเท่าไหร่ไหมกว้างสี่ศอกแล้วก็ยาวแปดศอกพอปานไปพกเขา้าเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ว่าบอกผมครับ กองว่างเวลางานเลิกงานแล e uh build oh, ้วแล้วก็หลบไปนอนนี้ไอ้ใครไปเสือยงมาแก้บน่ะธรรมดาฉะแน่กินันหน้าเจ้าของเลยครับไม่มีใครมาแก้บนได้แม้แม่ยำหมาโอ้สารวัดที่ต้องทิศตะวันตกต้องทิศตะวันตกแล้วหันหน้าก็ไปหันหน้าไม่มีวันจำเป็นชาวบ้านจะไปตั้งทิศตะวันตกนะ ขออภัยเถอขอใช้ศาสตร์ธรรมดาว่าทั้งชิบหายและตายโหเห็นมาแล้วสองรายภายในปีเดียวนะอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งเชียก็เป็นเพราะในเมื่อท่านไปเห็นมานหลังใหญ่สวยมากแล้วก็มีวิมานหลังเล็กๆสองหลังเป็นมุกใช่ไหมสาหรับนั่งเล่นมีต้นไม้ทิพย์รอบบริเวณมป็นสวนใหญ่ ยิงเข้าไปถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานเจ้าของวิมานออกมาพบท่านถามว่าพระกินิดูก่อนน้องหญิงท่าอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษธธนย์เธอทำบุญอะไรไว้วิมานถึงได้ใหญ่มากถ้ามีวิมานดังเล่นอีกมีสวนต้นไม้ดอกไม้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ตอบหน่าชื่นใจคือเป็นนักบุญจริงๆเป็นนักบุญมาหาศาล เออแจ็ก็บอกว่เป็นเพื่อนทางวิสาขาลงช่ายมานางสาขามหาเศรษฐีไหมแต่ว่าใหญ่คนนี้จะเป็นหมาเศรษฐีาานางวิสาขาเป็นมหาเศรษฐีแต่ใหญ่คนนี้จะเป็นหมาเศรษฐีเพราะนางวิสาขาทำบุญแกเองไม่จะใสบทท่บาตรทั้งปีหนึ่งจะไม่เคยมีเลย<อ>แต่ว่าอาศัยการโมทนานางวิสาขาทําอะไรก็ตามก็ก็โมทนาด้วยกินดีด้วย อาวิสาขาสร้างวิหารจะดียินดีด้วยสวายผ้าไตจิตวิญญยิน ด, ดีด้วยอาสวัยอาหารทักดี่หมดมุทนาหมดอาศัยแค่มุทนาอย่างเดียวไปเกิดบุษสวรรค์ฉันจะบดีนุตเทวโลกมีมารใหญ่เพราะวิสาขาสร้างวิหารใหญ่ใช่ไหมก็ใหญ่ตามกันนี่แต่คนที่มีปัญญาที่ปัญญาบารมีใช่ไหม ขนาดมีปัญญาบรารมีกอไม่ทําอะไรเลยก็สามารถเป็นนางฟ้าได้<า>นี่พระแต่ก็ถามว่าเวลานี้วิมายเขาทวิสาขาอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้ไม่ได้บอกเมื่อคืนนี้ไม่ได้บอกเขาแก็ตอบว่าวิ ม, มายงนาทวิสาขาอยู่ทัน่นิมารดีที่ดีห้าสวยสดสวงามมากนีน่สาหรับคนที่มีปัญญานะี่ยไม่มีทรัพย์ก็สามารถเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาได้ มีปัญญานะนี่ะครว่าถ้ว่าเรามีปัญญาด้วยมีทรัพย์ด้วยเราก็ทําบุญด้วยโมทนาด้วยของเราทําบุญทั้งถวายสังฆทานในสังฆทานเป็นฐานมหาศาลอานสงมากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนใดถวายสังฆทานแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตด้วยศรัทธาเกิดไปกี่ชาติก็ตามถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใด วันนี้จะยากจนเขินใจไม่ได้เลยตินแดนใดที่เต็มไปได้วยความทุกข์ขัดสนจะไม่เกิดในทีน่นั้นแต่ในสถานใดมีความดวงสมบูรณ์จะเกิดที่นั่นในสวรรค์ของไทยครังเดียวนะครับงนีพวกเราได้กี่ครั้งละตอนนี้วันนี้เราจะคุยเือปัญญาที่สูงกว่านั้นอีกนิดนึ่งว่าการเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นานางฟ้าก็ดีเป็นของก็ดี อาศัยบุญธรรมดานี่มันยังต้องกลับมาเกิดใหม่มีความหวังนนในนิพายไม่แน่นอนถ้ากลับมาเกิดใหม่ถึงแม้ว่าจะรวยก็เป็นทุกข์คนรวยก็ปกวทต้งที่ได้คนรวยก็ปกว่วยไข้ไปสบายได้คนรวยก็ยังมีความเดือดร้อนใจได้ทุกอย่างในกายเกิดมันเต็มไปได้วยความทุกข์นี่ต่อไปเราไม่หวังความเกิด ก็ใช้กําลังบรญญายให้สูงกว่า น, นั้นอีกนิดหนึ่งแต่ว่าปัญญาเบื้องต้นเนี่ยอย่าทิ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานบา ร, รมีเนี่อย่าทิ้งถ้าเราไม่ให้เองก็ยินดีกับเขาใช่ไหมอย่างว่าหรือว่าพวกบรรวกิญญาจะก ร, รวกิญญาจะไม่ช่วยขนสังฆทานว่างช่วยที่เขาเติร์บ้างก็คือ น, นี่คนที่อยู่เขาเตอร์จะล้างจิตใจกายมาช่วยขนสังฆทานบนะ้าง <laughs> แต่ความจริงนั่เรามีบุญเท่ากัน ช่วยกิจกาของสงฆ์ใช่ไหมมีสงฆ์เสมอการเพราะว่าวายาวิจารณ์ไว้ยาวิวววจะมัยในเที่ยวช่วยคุค้มขวในบุญบสนตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดบนสวรรค์ฉันดับไปถึกติวัลโลกมีบริวาร8ปดพันคนแต่โนนิตเน้นที่บริสุทธิ์ที่มีบริวาร ห, หนึ่งหมื่น 1, คนแต่ถ้าเด่นไม่บริสุทธิ์ก็ลงนรกไปเลย ใ น, ในนี่ยังขาดทุนเพราะว่ายายก่อเ น, นี่ยเขาไม่ขาดทุนเขาทําอะไรเขาได้วันนั้นเพราะไม่มีการถอยหลัง<ะ>อย่างยกโูนนี่ครับเป็นธรรมทานเขาพูดธรรมะให้บรรดาญาโยมพุทบริษัตฟังธรรมทานนี่มีอิสงสูงมากที่พระเจ้าตรัสว่าสัพทานนางธรรมทานังชินนาติการให้ทำเป็นทานยนต ท, ทานทุกอย่างอิสองสูงมากนะรัพทานนี่แหละครับต่อไปชาติได้จเจริญปัญญาดีจะรวยมาก ะจะมีเมียสวยๆสักแสนคนโอ้โ ห, ลโหลแล้วจะด่าคนละคำก็แสนคำไม <c oughs> ่ต้องทำอะไรกินเลย <c oughs> ตอนนี้ไม่ไหวตอนยิ้มค่อยชั่วหน่อยแสนยิ้มใช่ไหมค่ะ <c oughs> ตอนดาน่าในแสนดาน่าีนแย่เหมือนกันนะนี่เราต่อไปเราก็ใช้ปัญญายสูงขึ้น คือใช่ปัญญาของปะโสดาบันฮะเมือคืนนี้มีใครก็ถามปัญหาบอกเขพร้อมแล้วใช่ไหมเหลือแต่อนาคามียความจริงถ้าเป็นปะโสดาบันนิสิกธาคามีแล้วอนาคามียนี่ไม่ยากก็ที่ตัดยากจริงๆก็ปัโสดาบันนี่ยากที่สดุดก็จิต บ, บัญชินกับความชั่ว ถ้าเราเป็นประโสดาบันนั้จิตก็ชิงกับความดีต่อไปพระโสดาบันมีสามขั้นสัตะขัดตึงยังอ่อนอยังลงังยังกลางก็โคลังโคละยังชั้นดีก็เอกภพชีถ้าเป็นมัทสดาบันขั้นเอกภพชีเนี่ยบางทีเราพลาดไปคิดพลาดคิดว่าเราเป็นอนาัคามีโอ <c oughs> อารมณ์ิตละเอียดมากความโกรธไม่อยากจะมีความรักไม่อยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแ้าประทาบหน้ากันไม่เกิดอารมณ์พระโสดาบันเอกวิชี<อ>ไม่ใช่นามีเพราะว่าบางทีจิตสงบมันมีขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเขาดาา่าเมื่อวันศุนยนี่นะกำลังนั่งจิตสว บ, บายๆนึงเอ๊ะเมื่อวันศุนยนี่มันด่ากูนี่ว่ามันไปแล้ว<อ>แล้วหายไป รู้สึกชาแล้วก็หายเร็วพอคิดมาปั๊บก็ตัดหายไปเลยไม่มีไม่มีอ <Okay. S 2> นี่เอกวิชีนะเอกวิชีกับกาาบัศกิทาคารมีนี่มีลมคล้ายพึงกันพอถึงบศัศกิทาคารมีนี่อารมณ์มันเฉยมากจัดยึดธรรมดาเป็นที่สุดนะ <Okay. S 2> อารมณ์นอางต่างเกือบจะไม่มีเลยมีไหลองค์ ที่เป็นพระสิกขาคามีคิดตัวเองเป็นพระอนาคามีเรียกว่าอารมณ์ความรักในระหว่างเพศอารมณ์อยากรวัวอารมณ์โกรธนับเป็นเดือนมันจะโผร่มานังนาทีนับเดือนนะตอนทีก็โผร่มาแป๊บประมาณหนึ่งวินาทีแล้วก็หายไปทนนี้ในขณะที่มันเกิดขึ้นมาทันึกว่าท่านเป็นอนาคามีเนี่ยพูดยาวไปถอยหลังมาใหม่ แล้วก็ใช่อารมณ์วัสดาบัค่อยๆใช้แต่ว่าอารมณ์แรกเราจะไม่ทิ้งนั่นคือธานนบรมีทิ้งไม่ได้อย่างน้อยที่สุดตายจากชาตินี้ไปแล้วเราก็ไปเทวดาไปนางฟ้าได้แต่ทานนบรมีนี่เป็นลมได้นะลมไี่เคยพบแต่ว่าได้ชงได้ฌานนี่มาได้ฌานคำามาฌ า, านเ็าแปลว่าอะไรฌานก็แปลว่าความเคยชิน เคยนแต่หากว่านี่เขคนที่จะให้ทานเขาใช้อะไรต้องมีจารคารนุติกรรมฐานเม่กําลังใช่ไหมครออับจิตคิดจะให้เป็นกําลังฮะถ้าจิตคิดจะให้มันมีการทรงตัวก็เป็นฌาในจ า, านรคานุติกรรมฐานเป็นสมได้โ อ, อตรงนี้เองนะเพราะว่ากรรมฐานนี่ถ้าเข้าใจนี่ไม่มีอะไรยาก ผมนึกว่าจะต้องไปนั่งเลงปล่งหลับนอนไอประเภทนั่งหลับตาปีเร่งช้ายี่สิบต้นสิบปีนะเหมนการเลอะเทอะที่ไม่ดีลงนกรกเพราะความโง่ขาดปัญญาบา ร, รมีต้องใช้แบบนี้เอาแบบง่ายๆแล้วก็ไปดีโอ้ผมหลวงพ่อเลยง่ายกว่าไม่ใช่หลวงพ่อนะอพระเจ้าท่าน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าก่อนจะลงมาท่า น, นเตือนก่อน อก่ oh, ฉันเนี่ยต้องเรียนทุกวันนะโอ้ oh, oh. เราประเดียนประจำวันวันนี้จะลงมาคุยเรื่องอะไรเ oh. ลงไปคุยกับแขกไปรับแขกจะคุยเรื่องอะไรที oh. ่ก่อนจะไปลงละไปรับแขกจะถามว่าแขกวันนี้มีใครบ้างอ๋อที่มีอารมณ์ขนาดไหนจะบอกรูปร่างลักษณะเครื่องแต่งตัวเสร็จ oh. ให้เห็นภาพเลย oh. ใช่ไหม oh. เ็แลว่าต่อไปเราก็จะอารมณ์ของพระโสดาบันคือคนที่ยให้ทานเนี่ยต้อง ม, warrant, มีหนึ่งเมตตาความรักสองตุนาความสงสารใช่ไหมนะถ้าที vie, ่เมตตาความรักตุณาความสงสารนี่เป็นปัจจัยเกิดศีลถ้าขาดเมตตาความรักกัุณาความสงสารศีลจะมีไม่ได้ที่ทุนเดิมมีอยู่แล้ว เราก็เริ่มนักษาศินสินที่เราจะรักษารักษาเอาสินง่ายๆตัวไหนที่เราไม่เคยขาดรักษาไว้ดีย้า้ขาดอเพราะคนทุกค น, นต้องมีสินที่ยังเหลืออยู่นะใช่ไหมก็ขาดตกบกพ่อะมันบางสิขาบทไอ้บางสิขาบทเราก็คอยย่คอยๆย้ำมันเขาเคยเตือนมันมันพลาดถ้ามันพลาดก็คิดว่าวัตตี้ตื่นขึ้นมาเราจะไม่ละเมิดมันก็ผิดอยอีกใช่ไหม ต้ อ, อ, อยู่วังที่ว่าวันี่เราจะไม่ละเมิดเตือ น, นมันอย่างนี้ตัววันไม่ช้าก็ส่งตัวอย่าลืมว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีสินมริสุธ์แค่นี้เองขอมเป๊กกุวยกล้วยทอดครับคำว่าโสดาบันกันสกิทาคามียังมีผัวมีเมียคนที่ยังไม่แต่งงานก็แต่งงานกันได้ อย่างนาวิสาขาเป็นพระโสดาบานนันตั้งแต่อายุเจ็ปีพอายุที่หกปีก็แต่งงานอาศัยที่มีบุญบรารมีมากมีความฉลาดมากเป็นพระโสดาบานนันแต่เล็กใช่ไหมเลยมีลูกทัก้ยี่สิบคนก็เป็นทว่ า, าพาระโสดาบันเราก็ใช้ปัญญาหนึ่งคนทุกคนที่เกิดมาต้องตายไหมข้อแรก สกายยติธิใช่ไหมตัวต่อสกายยติิตัวเดียะตัดตัวกิเลสตัวเดียวว่าคนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องตายไหมเราก็ใช้ปัญญาหาความจริงว่าต้องตายคนทุกคนเนี่เคยมีพ่อมีแม่มีหรืไม่ไม่ครับให้มีเกิดยังไงมีปู่ย่าตายายไหมไม่ครับมีทวดไหมไม่ครับ มีพ่อแม่เขาทวดมีไหมไม่ครับพ่อแม่เขาพ่อแม่ทวดมีไหมแล้วมีแล้วท่านไปไหนล่ะเวลาเนี้ยอ่าก็ตายไปหมดตายนี่คนที่มีคุณกับเราขนาดนั้นท่านยังตายแล้วก็เราจะไม่ตายได้ไงก็ต้องตายแน่เข้ามาหาตัวเราเองก็ไม่ช้าก็ต้องตายเหมือนท่าน<อ>ในเมื่อท่านแกเราก็ต้องแก่อย่างท่านท่านยู่เสมอท่านนะครับครับในเมื่อท่านตายเราก็ต้องตายเหมือนท่าน ในเมื่อเราจะตายแล้การตายไม่มีสภาพศูนย์ไอ้ที่ใครมาว่าศูนย์ก็เปิดไปเถอะฉัพูดตามพุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ศูนย์ฉันก็ต้องบอกว่าไม่ศูนย์ไม่ใช่บอกเฉยๆเชื่อด้วยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าไม่ศูนย์ใช่ไหมนะในเมื่อไม่ศูนย์ไปไหนทางที่จะไปก็มีอยู่สองทางอะไรครับคือหนึ่งใบยภูมิ สถ า, านที่นี้ดีมากมีความสว่างสวยตลอดวันตลอดคืนไม่มีกลางคืนนะมีแต่กลางวันเพราะไฟลุกเรื่อยไฟท่วมตัวมีหอกแทงมีดาบฟันมีค้อนทุบสบายมาก <It> s <S แล้วตายก็ไ ม, ตไม่ตายก็ไม่ตายเจ็บได้ตลอเวลา oh. อีกทานนึ่งคือสุขติมีสวรรค์เป็นต้นใช่หัห เราก็ต้องเลือกที่ว่าในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนกา้เกิดเป็นคนอาศัยอะไรต้องใช้ปัญญาแต่วันนี้เราพูดกันเรื่องปัญญาบารมีสมจะตอบว่าสาัยพ่อศัยแม่นั่นจริงแต่ว่าถ้าเราขาดอีกสีตัวเราเกิดมาเป็นคนไม่ได้คุณธรรมที่อย่างคือหนึ่งกิเลสสองตัณหา สาวสาอุปาทานสีอาโกศลกรรมกิ้เลยเกลมเศร้าหม อ, องหุ่นจิตที่จิตเฉื่อที่จิตไม่สบายตันหายมีความทยานอยากไม่จบอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถือว่าการเกิดเป็นคนไม่ดี อ, อาโกศลกรรมอาศัยความโง่สร้างความไม่ดีให้มันเกิดขึ้น ถ้าทํำยามโปรติตามโปรติราคาขายตรงไปตรงมามันโดยชาไม่ต้องโกงไปโกงมาโอเครับใช่ไหมครับถ้าจะถามว่าการค้าเราซื้อถูกขายแพงโกงไหมต้องตอบว่ามันยังไม่โกงคำว่าโกนต้อหมายความของเลวบอกว่าเป็นของดีถ้าซื้อถูกราคาหนึบาทแต่ท่อตลาดเขาขายราคาสิบบาทเราต้องขายเสมอเขาใช่ไหมใช่ครับ เขาถามลดจากนั้นได้ไหมแล้วก็ตอบลดไปได้เพราะทุนมันแพงอย่าไปบอกเขาาจะชื่อว่าเก้าบาทนี่ลมนรกไงแงขาดเป็นยาขาดเป็นยาเห็นไหมนะก็เป็นว่าข้อหนึ่งคิดว่าชีวิตที่ต้องตายตายแล้วเราไม่ยอมไปอบายภูมิการที่ไม่ยอมไปอบายภูมิเราทำยังไง ก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับรับถือด้วยความจริงใจอย่าปรามาแต่ท่านคืออย่าดย่าดูดููมินนะไอ้คาว่าปรามาอย่าดูดูมินอันนี้จะเพาะพระสงฆ์ก็จะเพาะพระอริยเจ้านนะแต่พระสงฆ์ตัวตินี่ไม่ไหว ทุปเทปโนภควาโตซาหะสังโคอุทุปฏิปโนภควาโตซาหะสั้งโคล ป, ปโสดาบันสิกตาคานาคาดาาหันตอนนี้ถามว่าถ้าเป็นพระที่บทธรมทธรมดาธรรมดาเธอเขาไปสนใจอย่างนี้ไม่แน่นักดีไม่ดีเท่าเลวว่าคณะว่าจะไปเยอะไปครับรมีผ้ากาสาพัสวงรื่องของผ้าความดีความเลวไม่ได้อยู่ที่ผ้าอยู่ที่่อยู่ที่ใจอยู่ที่การปฏิบัติ ที่พวกเราถ้าไปทําบุญกับพระประเภทนั้นเข้าอันดีสองคนจะได้1บาทก็ได้ไม่ถึงครึ่งสตังค์นี่นี่ยังเกรงใจนะโอ้ทานไม่เกรงใจบอกว่าศูนย์เลยโอ้โห อ, อย่างวัดเยีแฟงครับอย่างพระเชโตธรไปเทศพระเดชโตธรไปเทศรวัด เ, เ, ทท เ, เดยีแฟงเนี่ยแกอาศัยมาจากเป็นแม่เล้าใช่มั้ย เอาเงินที่ได้จากแม่เรามาสร้างนิมน์ทัประเทศทั้ง อ, นองเนิสงเขาบอกว่าแมอนิสงสามภัยแล้วท่านบอกว่าที่เกรงใจนะถ้าไม่เกรงใจจะบอกไม่ได้เลยเพราะเบียดเบียเขาครับที่ได้มาจากประกันเบียดเบียนคนอื่นคนที่เราก็มันหนึ่งคิดว่าชีวิตนี่ต้องตาย ตายแล้วเราไม่ยอมไปไบภูมินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอธิษฐานให้เป็นที่พึ่งยอมรับต้องถือ้ียความจริงใจนะอันนี้ข้อหนึ่งแล้วก็เป็นสองข้อสิพระสวสดาบันนี้เข้าไปสองแล้ว้ข้อที่สามสัตยโย์ยเป็นแค่สามข้อเราจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และเราก็บริสุทธิ์ตามศีล ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรไหมบางบางคนก็มีสินบริสุทธิ์เขาเขียนสกระดาษใช่ไหมอ่านพลาสติกแลใส่เซฟไว้ค่ะเอคุณเราออกไม่แต่สินครับใช่สินวริสุทแต่ตัวเองไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องบริสุทธิ์ตามสินไอการที่เราจะบริสุทธิ์ตามสินทั้งไนใช้ปัญญาอีกนิดหนึ่งวันนี้เราพูดเรื่องปัญญาบรมี หนึ่งปานาติปาตาเวละมณีสี่ขาปรดังสมาธิยามิอย่างเรามีสงขาไปช่วยไก่สงขาก็ไปสี่ข า, าข้อที่หนึ่งถ้าเราจะสามารถรักษาสิ้นได้ข้อที่ไหนเน่ยหนึ่งตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาที่หนังฟ้าได้เป็นเทวดาก็ดีเป็นนังฟ้าก็ดีเป็นนาเทวดาที่สวยนังฟ้าที่สวย ถ้ประการที่สองถ้ า, าเกิดเป็นคนก็เป็นคนสวยมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยอายุยืนยาวอายุตลอดอายุไข่เราคิดว่าถ้าเราขาดสิ่งข้อนี้เราไปไหนเราไปสวายาคูออถ้าไปสันชีพนรกสันชีพนรกที่เก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขานะ แล้วก็สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนเป็นปีลรงคิดดูกนแล้วกันเราไม่ควรไปนะครับเพไรไปแล้วก็วกสิ่งข้อที่สองอธินาธานาวีระมณีถ้าเราขาดสิ่ข้อนี้หนึ่งไฟไม่บ้านสองลมพัดให้บ้านพังสามขโมยเข้าบ้าน 4. ีน้าท่วมวอเขาของเสียหาย<อ>ถ้าเราไม่ละเวิดข้อนี้เกิดไปชาติหน้า ทรัพย์สมบัติจะมีความาสุขเยี่ยเงเย็นจะไม่มีภัยจากอันตรายทั้งสี่นะฮะมีมาสิงขอดีสาการเม็นสมิชาจาร์ถ้าเรารักษาไม่ได้เกิดเป็นชาติใหม่จะมีคนในปกครองว่า ย, ยากสอนอยากฮะถ้าเรารักษามไว้ได้เราจะเกิดเป็นเดวดาเปน็นนางฟ้าลงมาคนในปกครองบ้างง่ายสอนง่าย มาสิ้นข้อที่สี่วาจาดีใช่ไหมครับถ้าวาจาผู้เราไม่ดีเราใส่เครือขายสิ้นข้อนี้เกิดไปชาติหน้าจะพูดอะไรก็าตามเน้นไม่พูดจริงไม่มีใครเขาอยากจะเชื่ อ, อถ้าเรารักษาไว้ได้เขาเกิดไปเทวดาก็ได้ไปทางฟ้าก็ได้ถ้าลงมาพูดวาจาวีวาจาเสาะสิทธิ์หม้ยความพูดแล้วเขาเชื่ อ, อถ้าสิ้นข้อที่ห้าถ้าเราละเมิด ละมัอดอย่างอ่อนจะเป็นคนปวดหัวบ่อยๆจะมัอดอย่างกลางจะเป็นโนรคสมองขาดระมัอดอย่างแรงจะเป็นคนบ้าถ้าเราไม่ระมัดไปเกิดปีดาจก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้ถ้าเกิดมาเป็นคนจะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบที่มนหมดเวลาก็เป็นว่าวันนี้ก็ใช้ปัญญาบารมีขั้นมาสดาบันขึ้นหนึ่ง นึกถึงความตายสองยอมรับตัองถือพระพุธพะทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์สามีสินห้าปรสุย์และก็สีตั้งใจวิเเพาะที่พันเป็นอารมณ์ต่อที่ไปขอบันดาจังพุทธบริสัทธน้ยตั้งใจสมาทานสินสมาทานเป็นกรรมฐาน ยนหลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเ ส, สิงหาคมแต่ไม่ใช่ที่สนิเบตน ะ, ะก็คงพูดเรื่องปัญญาบารมีแต่ว่าวันนี้จบจบหลักสูตรพุทธศาสนาหลักสูตรศาสนาจริงๆก็มีวันหนึ่งส ก, กายยะทิฏฐิ สองวิจิจชาสามสิรปรตาปรามาตสี่กามฉันทะห้าปริคหกอูปราคะเจ็ดอุปราคะแปดมันนะ9ก้าอุจจจะสิปริชาที่บอกว่าจบเพราะอะไรเพราะว่าสังโยภาษาสามข้อตนเป็นประโสงบดาบัญาัติธาคามี ถ้าถึงข้อที่ห้าเป็นพระอนาคามีถ้าถึงข้อที่สิบปฏิบัติได้เป็นพระอรหันต์ให้ไปจบกันนะให้ราอ่านหนังสือมากวันนี้ก็มาคุยเรื่องปัญญาปรมีท่านพูดใดจะจับได้ข้อไหนจะทำได้เพียงใดก็ตามใจท่านดีทั้งหมดอย่างข้อที่หนึ่ง 1, ที่เรียกว่า ก, กายทิษฐิ สำหรับการตัดจริงๆท่านตัดข้อเดียวสิข้อนี่นะตัดข้อเดียวคือข้อวสกายยะทิฐิสกายยะิฏฐิแปลว่าแปลว่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายไมีในเราแต่จริงๆแล้วใจมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ทีวิธีศึกษาวิธีศึกษาถ้าเร า, เ อ, าอย่างที่พาะาที่บุตรบอกพระจะหาว่าสูงเกินไปก็ไม่ได้เพราะท่านที่นั่งอยู่นี่้งหมดไม่ทราบว่าใครมีบารมีขั้นไหนจะรู้ได้อย่างไงใช่ไหมการแต่งตัวมีสร้อยใสเจ้ากิเลน้อยก็ไม่ได้ฮะ ท่านแหวนใสาแวนเพชสว่ามีกิเลสหนาก็ไม่ได้อย่างเราวิสาขาท่านใช้เสื้อทองคํามีเพชรเพื่อประดับท่านถ้าเป็นพระโสดาบันก็ลงพระ่าขึ้นชื่อว่าบา ร, รมีนี่เราวัดจะไม่ได้บา ร, รมีเป็นกำลังใจวันนี้ใช้ปัญญาบา ร, รมีใช้ปัญญาบา ร, รมีข้อเดียวก็คุมบา ร, รมีทั้งหมด การใช้ปัญญาบารมีก็ตัวอย่างอย่า ง, างที่พระไปเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระบทใหม่เมื่อพระพุทธเจ้าสอนต้องต่ต้นยันปลายแล้วถ้าลายจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเป็นราสาธิบทแล้วหรือยงังนั่นหมายความาว่าพระเจ้าทรงทราบทั้งท่านที่มันไม่นักกันนะไม่นัดกันพระเจ้าทรงทราบว่าถ้าไปหาพระสาธิบทพระสาธิบทจะพูดว่ยังไง ข้าก็บอกว่ายังพระเจ้า ก, ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจึงไปลาสาัีติบทก่อนอันดาพระทั้งหมดก็ไปลาปาระสานิบทว่าผมจะเข้าป่าพระสัีติบทก็แนะนําตามสมควรต่อมาพระพวกนั้นก็ถามว่าเวลานี้พวกผมเป็นตุตชนต้องการเป็นระโสดาบันจะทํำยังไง พสารีบุตรก็เลยบอกว่าเธอจงตัดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รเราเรียกการ่างกายทชัพท์ว่ายคือร่างกายเห็นไหมร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าเธอตัดเอเล็กน้อยเธอก็เป็นพระโสดาบันคิดจะดีนะ ถ้า ต, ต่อมาพระปรานก็ถามว่าในเมื่อผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการเป็นสพสระสิกขาคา ร, รมีจะทำยังไงพระสารีบุตร ก, ก็บอกว่าทําแบบนั่นแหละก็ตัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ของเราเราไม่มีในคันท่าคัท่าไม่มีในเราก็เป็นบาตรท่านเป็นสิกขาคา ร, รมีพระธานก็ถามว่าถ้าผมเป็นพระสิกขาคารมีแล้ว จะทํำยังไงที่เป็นพระนาคามีถ้าปกตัดอย่างเดียวกันต่อมาก็จิตใจมันก็เบื่อร่างกายร่างกายสปกปรกโสโครกอารมณ์ไม่โปรยใครก็เป็นพระนาคามีถ้าคาก็ถามว่าถ้าผมทําเป็นพระนาคามีแล้จะทำยังไงก็บอกตัดรูปเวทนาเส้นยาวทั้งขันทัญงาณถ้าถึงที่สุดจิตเป็นสังขารเปรกขยั น, ายานก็เป็นพระอรหันต์ถ้ามาอย่างพวกเราก็จะเป็นจุด อันดับแรกถือว่าเอาจุดที่ง่ายที่สุดคือโสดาบันง่ายไหมง่ายไม่ยากสําหรับสกาเจติติที่ต้องตัดเป็นสามชั้นไม่ใช่อยู่ๆก็อย่างทีคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราคือความจริงมันสับเดียวกันแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้มันยาก ถ้าพูดให้ง่ายลงให้มีความรู้สึกร่างกายนี้ต้องตายเราเองก็ตายคนอื่นก็ตายตายทั้งหมดในกรณีสองถ้าตายแล้วสภาวะมันไม่ศูนถ้าจิตประกอบไปเจอกุศลเราก็ไปสวดบายภูมิถ้าจิตรรประกอบด้วยกุศลเราก็ไปสวดสุขติแล้ก็เลือกหาทางสักซักซ้อมจิตให้จิตอยนอกุศล อย่างที่เราจะเรียนรู้ฐานพระวนาวพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นต้นเอาแค่พุโทโธอย่างเดียวก็พอคระนาวพุโทโธจนชินนะเอาทิศสะถึงหนอนให้ทันจะหลับตาจิตก็ว่าพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทัใจออกสัพโธอันนี้เป็นมหาภูษณ์ใหญ่หรือว่าธรรมโมหรือสังโฆก็ได้เอาอย่างใดก็แล้วแต่เฉพาะ ท่านมาตามสัญญอดสิบี่บอกว่าให้ตัดวิจิกิจฉาคือความสงสัยในพระเจ้านิพพธทําในพ ร, ระสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจสําหรับพระสงฆ์นในบทอิติปิโสให้ ถ, ถือว่ายอมรับต้องถือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันนี้ไม่แน่พระองค์ก็ไดานับถือพระองค์ไม่ น, บนับถือนะ จะเน่ยมไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกพระเฉพาะองค์ไหนที่เราเห็นว่าสมควรเราก็ยอมรับนัถือองค์นั้นโดยเฉพาะเจาะไปองค์ใดองค์ไหนก็ได้ถ้าเราถือพระพุทการนับถือพระพุทธเจ้าทําไงไม่ยากเห็นราตระหนอยู่แล้วใช่ไหมนี่นการนับถือพระธรรมก็คือยอมรับนับถือคําสอนสองโลกตัวเด็ดตัวฉม่าตั้งพุทธเจ้า คำสังสอนพระเจ้าอย่างยอ่อคือหนึ่งสัพปาปัสสะกระนังซึ่งแปลว่าท่านอนหลายจงหยางจงละความชั่วทุกอย่างสองกุสุกุตสุโภสะมัทธาจงทําแต่ความดีสามพระจิตตาประโยชน์สัพนังจงทาจิตใจผองใสใจกิเลสเอตังพุทธานศาสนังทรงยืนยันว่าพระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด เราจะยอมรัถือว่าพระเจ้าสอนดี1ละความชั่วสองประพฤตความดี3ทำดีใจผ่องใสใจ ก, กิเล็นี่เรายอมรับใช่มั้ไหมการจะยอมรับก็ถือก่าต้องอาศัยเหตุผลถ้าต่อมาสำหรับพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ในตัง้งแต่ปัสสาวดาวไปงี้ไปก็เริ่อเรื่มเริ่มเรื่อยยุ่ง เพือิอกยุ่งในภาวะต่างๆของชาวโลกพออารมณ์น้อยลงนะจิตเยือกเย็นรู้จักกดธรรมดามากขึ้นคือไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวความโกรธอย่างนี้นะถ้าโสดาบันนี่ยังมีความโกรธนะจะโกรธไม่นานถ้าโสดาบันรักสวยรักงามถ้าโสดาบันยังมีความหลงในร่างกายแต่ไม่เลืมความตาย ก็ลความว่าพระโสดาบันของเราเหมือนกันท่นี้ทำไมจะเรียกพระโสดาบันต่างแตกต่างตรงไหนพระเจ้าสัตว์รับพระโสดาบันหนึ่งมีสมาธิเล็กน้อยสองมีปัญญาเล็กน้อยสมีศีลบริสุทธิ์ข้อนี้สําคัญพระโสดาบันอยู่ที่ศีล เพราะว่ามีมีมีสมาธิเล็กน้อยเหรือไหมความว่าถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานก็เป็นพระโสดาบันได้มีปัญญาเล็กน้อยเห็นว่าร่างกายมันต้องตายมันต้องตายแน่เวลานี้ไม่ตายวันหน้ามันก็ตายในเมื่อมันจะตายเราก็ไม่ยอมไปอับายภูมิเยศพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับก็คือด้วยความจริงใจ หลังจากนั้นก็ส่งสินไหวบริสุทธิ์สาหรับคารวาสอย่างนี้ถ้าเด็กประสดาบันขั้นสัตตะคตตรงอย่างอ่อนคือแม้จะเป็นประโสดาบันยังอ่อนก็ตามมันก็ไม่เกิดในายบันภิ่งมอีกเราจะทําบาปมาแล้วเท่าไหร่ก็ตามอบยบผมไม่ไปกันแน่เพาะไม่เกิดเป็นสัตวรร์นกไปเกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุกายไม่เกิดเป็นสติฉาน มีอย่างเดียวกับมาเกิดเป็นคนโซเวียวดาวเรือพรมแตาว่าเป็นถ้าเปพระโสดาบันยังอ่อนก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนอีกิปต์ชาติเป็นเทวดาเรือพรมเจ็ดชาติสลับกันจึงเป็นพระราหารันถ้าต่อไปพระโสดาบันขั้นโกลัลงโก ล, ละขั้นกลางนอกจากราักษาวิษห้าแล้วก็มีจมบทสิบควบคู่ไปด้วยจมบทสิบกับิษหมเหมือนกัน เพื่อทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รกิบในกรรมขอแถมสิน้งห้างไม่ดิดนแต่ไม่เดือดราอและไม่ไหที่ทางกายนะทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคําหยาาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สุบายเขาบอกคนใดโดยไม่ชอบรรม แล้วก็ไม่จองล้างจองผายเขาโกรธเรื่องการท้่ไม่จองล้างจองผานแล้วก็ยอมรับรับถือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่ว่าสําหรับกำหนดสิทธิเขาไม่โสดาบันขั้นสัตตะขตุงยังต้องระวังอยู่ต้องระวังนะที่ว่ากำหนดสิทธิ์มีอะไรบ้างต้องระวังยังอาจจะมีเพล่บ้าง เรื่องสินห้าไม่เผยแน่ต่อไปก็พระโสดาบันขัตเเอกวิชีขัตเเอกวิชีนี่สินห้ากับจรนวนสิบไม่ไม่ต้องย้ำไม่ต้องเตือนมันจะทรงตัวเองแล้วถ้าเป็นประโสดาบันขั้นเอกวิชีนี่บางคนนะบางท่านเผลอบางทีคิดว่าเราเป็นพระอราหารันอารมณ์ละเอียดมาก ได้เรียว่าบางท่านเราคิดว่าเป็นผสพระสกิทาคามีถ้าเราละเอียดมากเยือเย็นมากต่อไปพระสกิทาคามีก็มีสภาพเช่นเดียวกับพระระโสดาบันขันเอกวิชีตัดสังโยกสามเห่งกันใจใช้กำลังบัญญาปรมีสูงกว่ามากเพื่อหนึ่งเห็นว่าชีวิตนี้มันต้องตายมานจะตายวันนี้อยู่เสมอ เราจะต้องทำความดีควบตัวไว้จิตใจมีความสุขคือไม่สนใจกับความโกรธพันการินทาว่าร้ายไม่สนใจคําบันเสินแล้วการที่สองจิตบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงทั้งหมดจิตจิตมีความยือเย็นมากแต่ตัดสัญญาณสามในสามือ่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราจะสังเกตวิสุทธิธรรมี นั่นก็คือความโกรธกับความรักในระหว่างเพศความรู้สึกความโกรธกับความรักในระหว่างเพศไม่มีเป็นเดือนไม่มีความรู้สึกเป็นเดือนถ้าชนหน้ากันจะไม่มีความรู้สึกเขาด่าเขาว่าก็เฉยๆแต่ดั่งนานที่มีจิตที่มีจิตสงัดมันจะมีความรู้สึกนิดหน่อยว่าคนนั่นคนนั้นเขาด่าเราคนนั้เขาว่าเราเราก็หายไป เน่รองพระสิกขาคามีนะถ้าอ่านหนังสือแไม่รู้เรื่องแน่ไม่พบอรอไปคนหนังสือแไม่พบหรอก <c oughs> นี่ต่อไปถ้าก็ไปตัดรองพระานาคามีวันซืนยนี่มีคน ม, มาถามว่าพระโสดาบันสามารถทําได้ <c oughs> แต่ก็เข้าใจเข้าใจที่พระอนาคามีมันได้ไม่หมดตอนนี้ก็ไม่แน่ สำหรับพระอนาคามีก็ต้องจับหนึ่งกามาชันทะตัวนี้ต้องตัดด้วยกายยกตารุติกาสุปกรรมการยกร ะ, าากะตารุติคือไ่ว่าเห็นร่างกายที่เป็นกายยตารตินะอาการตอสองอสุภกรรมาฐานคือสุกโก เถ้าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มไปความสกปกโสโครกไม่มีส่วนไหนของร่างกายดีไม่มีส่วนไหนร่ากายสะอาดเบื้องต่ําตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงเบื้องสูงคือปลายผมจากเบื้องสูงคือปลายผมถึงเบื้องต่ำคือฝ่าเท้าโสโครกทั้งหมดใม่เมื่อเราเห็นว่าสกรปรกความเบื่อก็เกิด แนวรังเขาก็บเบื่อเบื่อมากเบื่อร่างกายตัวเองคล้ายๆกับสุนัขเนา่าหืวโมูเน่าใชเบื่อถ้าอรมณ์เบื่อในสกายะทิ่ติตัวนี้เป็นพระอนาคามีแต่เมื่อตัดกรรมฉานได้ไอ้ตัวปฏิฆาเราก็หายไปไม่ต้ตัดมันออกไอ้ตัวความโกรธก็หายไปไม่เมื่อเพราะไม่ถือว่าร่างกายของเราดีแล้วใครด่ามันก็ด่าร่างกาย เขาไม่ได่าใจใช่ไหมแล้ตัวปฏิฆาเกลือหลงไม่ชอบใจก็สลายตัวไปถ้าไม่สลายตัวไปแล้วก็ใช้พร ม, มิหารสี่ให้กินึงเมตตาความรักสองคุณาความสงสารสามุตตาม่จิตอ่อนโยนไม่ฉาิสยาใครใครได้ดีดีน ด, ด, ด้วยสีเบขาวางเฉยจิตคิดรักคนในสัตว์ทั้งโลกตลอดเวลา จิตคิดสงสัยค น, นสัตว์ทั้งโลกตลอดเวลาจิตยินดีกับบุคคลทั้งโลกจริงเขาที้เขาทำได้ดีตลอดเวลาจิตมือเบกขาเมื่อใครเพื่อนพิมไม่ซ้าเติมทำไมความว่าเขาถูกมีทุกข์หนักเราไม่มีโอกาสจะช่วยได้เราก็เฉยไว้ ไ, วไม่ซ้าเติมจิตมีความสุขเพราะว่า้าิใช้ใช้ใช้ใชพระมมีารสี่ไม่เป็นที่ถูกใจ ก็ยังมีกระสินอีกสี่ให้เลือกใช่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนั่นคือกรสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวให้จับกรสินอย่างใดอย่างหนึ่งโียเฉพาะให้เป็นฌานถ้ากระสินอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฌานจิตก็ตัดจากความโกรธหลังจากนั้นก็จับวิปัสนายานเพื่อยานคก็มีความรู้สึกว่าการเกิดเต็มได้วยความทุกข์ทุกข์มาจากไหน ทุกมาจากตอนหาคือความอยากใช่ไหมถ้าเราไม่มีปัญหาความทุกข์มันม่เกิดอันนี้มันมักก็ปฏิบัติแล้ปฏิบัติจยแล้วโยทะความทุกข์หายไปความโกรธหายไปเป็นพระนาคามีที่พให้ฟังย่ยอนนะถ้าที่เขาอธิบายยาวกส ต่อไปเมื่อความโกรธหายไปความรู้สึกทางเพศหายไปจิตเห็นความของสวยสดงดงามไ ม, ไม่ติดใจเป็นพระนาคามีถ้านาคามีในะสกเกตไม่ยากมีที่สังเกตไหมคือว่าทุกคนกินข้าวร้อนหมดไม่กินข้าวเย็นถ้านาคามียเนีไม่กินข้าวเย็นแะต่กินข้าวร้อนอย่างนั้นที่เธอคามี คือว่าพระอนาคามีถ้าจิตเข้าถึงจริงๆจะรักษาชิ้นแปโดยเฉพาะไม่มีการบังคับร่างกายและจิตใจให้รักษาชิ้นแปดจิตจะทรงชิ้นแเองโดยปกติเป็นธรรมดาเลยอันนี้เป็นพระอนาคามีเห็นไหมถ้าประโสดาบันกษสรกิทางคามียังสักษาแค่สิ้นห้ากับหมดสิบแค่ต่อไปถ้าจะเป็นราหัน ถ้าเป็นพระนาคามีและเป็นพระหลันก็ไม่ยากที่พูดท่านฟังนะไอ้ที่ไม่ยากอนะไรเอาเข้าจริงๆมันไม่ง่ายนะแต่ความจริงข่าอาหลันนี่ไม่ยากจริงๆมันยากอยู่พระโสดาบันยากจริงๆที่พระโสดาบันอย่างเดียวถ้าถึงพระโสดาบันนะั้นทุกเสียงทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดจิตใจเป็นสุขหมดสัตย์ง่าย สำคัญประโสูดาบันในขึ้นให้ได้ถ้ต้องการจะเปรียญฐานก็ต้องตัดที่5ข้อคือหนรูปราคะไม่หลงในรูปฌานคนที่มีปัญญาขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่หลงในรูปฌานอยู่แล้วใช่ไหมส อ, สองอรูปราคะไม่หลงในรูปฌานขนาดอาณาคามีจะหลงในรูปฌานรูปฌานนี่ไม่มีแต่พระเจ้าก็ทรงตัดเพ ร, แราแวลงสัยไม่กิด เรืเร่องละเอียดน่าจะมีในใจได้สามมานะไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่ดังเกตคนสกปรกเจียงพวกหมอเนี่ยหมอเขาไม่ังเกตสงปรกเขาอกว่าขี้เยี้ยก็าจิบได้ใหญ่ฝันเลี้ยงลูกคือว่าไม่ถือเราดีกว่าเขาแล้วเสมอเขาแล้วเลวกว่าเขา คือว่าคนก็คือคนคนมีธาตุสี่เหมือนกันคือธาตุน้ำํำธาตุดินธาตุดอธาตุไฟในร่างกายเต็มไปความทรงบอกโซ่ครกเหมือนกันไม่ถือตัวและตัดมานะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านคิดว่าไม่ต้องการานิ่พันนี้เลิกกันต้องการเฉพาะที่พันถ้าขั้นสุดท้ายตัดอวิชชาอาวิชชาแปลว่ารู้ไม่ครบ แต่ตามบางสื่อบอกอาชาเราไม่รู้แต่ว่าสมเด็จพระสุตตานุทาอาจารย์โตสม่รารู้ไม่ครบถูกของท่านไอ้คนที่เกิดมาในโลกมันไม่รู้ไม่มีอะเห็นไหมอาจารย์รู้มหกใช่รู้พ่อรู้แม่รู้พี่รู้น้องรู้กินข้าวรู้หิวรู้หนาวรู้ร้อนใช่ไหมมันรู้อันนี้รู้เหมือนกันหมด นอกจากนั้นวิชาการอย่างอื่นก็มีความรู้เขาต้องรู้แต่ที่ที่ไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจสี่ขาดอริยสัจสี่นะแล้วต่อม า, า, อ า, งง า, า ท, ที่ตัดวดิชาวิชาตายนาง่าถ้าตัดตามนิพพานนิตัตยากในขันธวัตพุทธเจ้าส่วตัดวิชาวิชาวัดแยกเป็นสองสับคืคือว่าชันทะชันทะกับราคะเพือต้องดูพระเจ้า ส, สอน ชั้นทะคือหนึ่งมีความพอใจในมนุสโลกพอใจในเทวโลกพอใจในพรมโลกราคะเห็นว่ามนุสโลกสวยน่าอยู่เทวโลกสวยน่าอยู่พรมโลกสวยน่าอยู่อันนี้ถือว่ายังมีอวิชชาอยู่ ดังนัถ้าเรายจะตัดก็ต้องใช้ความจริงใช้ปัญญาคิดดูต้องใช้ปัญญาอันที่วันที่เราพูดเรองปัญญาบารมีนะก็ใช้ปัญญาบารมีคิดดูว่าชาวโลกทุกคนมีใครมีความสุขบ้างไม่มีร่ะงความว่าตัดอวิชชาเนะีคือฉันทักกับราคะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามนุษย์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ ไปโลกกับพระโลกมีความสุขจริงไม่มีความทุกข์แต่อยู่ไม่ได้นานถ้าหมดบนวัฏสงฆ์วันมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลัมาเกิดแค่เป็นมนุษย์ก็ไปทุกข์ถ้าบาปไปยังเหลืออยู่ไปลงพารมาใบพุ่มจะทุกข์นั่นมากกว่านี้มากฉะนั้นในตอนแต่แบบนี้ไปต้นไปเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโล ก, กโระพรมโลกเราต้องการนิพพานจุดเดียวแค่นี้นะ ให้พูดอย่างนี้มันยาวไปนะถ้าวิธีปฏิบัติที่ผูดตามลาราถ้าพูดตามแบบนักปฏิบัติจริงๆเอาสองอย่างนะนักปฏิบัติจริงๆนี่ถ้าเขาเป็นประโสดาบันในที่นั่งใดเขาจะทําตัวไปพระอาหารหันต์ในที่นั่งนั้นพอถึงขั้นประโสดาบันจริงหมายควาจิตมีความรู้สึกการควา ม, มจริงมั่นใจ ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงร่างกายนี่มันต้องตายถ้าเรายอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจในการต่อไปเราจะทรงสินให้บริสุท ธ, ธ, ธ, ธิ์ทุกขาบทเราจะลองกําลังจิตไม่นคงถ้าเราเอ่ยกลังจิตแม่นคงแบบนี้ต่อนใบปลายจิตก็เข้าถึงโครตรคุยาน เพราะจิตข้าังโครงทัูยานอารมณ์มันจะรักนิพพานโดยเฉพาะอย่างอื่นใครจะมาชวนจะเกิดเปนรรดมม็นมนุษย์เทวดาทุติภมัไม่ไปจิตต้องการอย่างเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นความเป็นโสดาบัยก็เข้าถึงมมเมื่อความเป็นโสดาบัยเราถึงจิตก็ยอมรับทัรมถอกรธรรมดานินว่าทุกอย่างในโลกเป็นของธรรมดาหมดลิข้าก็ธรรมดาสันเซิงก็ธรรมดา ความแก่เกิดขึ้นของธรรมดาความป่วยไข่เกิดขึ้นของธรรมดาความตายจะมาถึงเป็นของธรรมดามันเป็นธรรมดาหมดแต่ว่ายังมีความโกรธโกรธประเดี๋ยวเดียวกันก็หายเทอโกรธเป็นความชั่วเป็นของไม่ดีพรจิตรถึงระดับนี้เขาตัดอวิชาทันทีจับตัวยอดเลยตัดฉันท่ากับราคะขึ้นชื่อมนมุษย์สันโลกเธอโลกระเบงโลกไม่มีสําหรับเราต่อไปอีก เราต้องการอย่างเดียวคือนิพพานเห็นไหมแค่เนี้แง่แ ง, งเป็นอาหารนีนักปฏิบัติจริงๆก็ทางแบบนี้นะเขาไม่ไปนั่งไ ป, ล ไ, ปไล่เบียระโสดาสคือทานอาหารดอพอถึงระโสดาบันจริงต็ตัอาหารเลยตัดถึงบาหารเป็นอใหญ่จิตเป็นสังขารเปิดขา ย, ยานมันจะวางเฉยทุกอย่างคุยสนุกกับคุยได้เวลาเนี่คุยสนุก ร้อเล่งก็ได้ด่าคุนก็เป็นท่าอะไรัหยต้องทำแบบนิ้วถ้าใครทำไม่ดีต้องทำท่าเป็นโกรธใช่ไหมยอย่างราพระพุทธเจ้าเองพระเจ้ามีวิมัยพระสงฆ์ปฏิบัติสองรอยี่สิบเจ็ดข้อยังมีพระสมาจารย์อีกนั้นบทลงโทษน ะ, ะเห็นไหมล่ะ ถ้าใครทําผิดลงโทษั้ด้วยความหวังดีที พ, พระอรหันก็เหมือนกันถ้าใครทําผิดพระอรหันก็ต้องลงโทษท่าเป็นนกศิษย์ก็ต้องทําท่าดุดันถ้าจน่าหน้ายิ้มยิมด่าได้มหมไม่เป็นเรื่องต้องแยกเขี้ยวได้ก็แปลว่าต้องทําท่าตำทางมันมิ้วนอกโรงถ้าเข้าไปในโร ง, งนัดคุยกันดีใช่ไหมออกโรงก็วักชังวักชังจะตีก ต, ตายจะฆ่ากตายไอ้นี่หมดเวลาแล้ว ถ้าตอนนี้ไปเขาได้แยกโยมเขาจะไปสัตว์หลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน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 เอาดีกว่าเก็บเล็กเก็บน้อยดีกว่านะเป็นว่าอันว่าวันนี้เราอธิบายกันเรื่องการเก็บเล็กเก็บน้อยด้วยอย่างน้อยที่สุดตายชาตินี้แล้วไม่ลงนรกสิไหมี่นะไอชาติหน้าหมารับรองนะคำว่าชาตินี้ไม่ลงนรกมันก็หมายความว่าเราจะไปสวรรค์ไม่ยังต่ําแล้วก็ต้องไปได้ด้วย วิธีไปไม่ยากเดี๋ยวอันเดียวเดี๋ยวคงรู้กันเพราะว่าถ้ามีหลายๆท่านอาจจะคิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีบาปขึ้นชื่อว่าคนมีบาปก็จะต้องลงอบายาภูมิอันนี้เป็นของธรรมดาแต่ว่าคนที่มีบาปเยอะไม่ลงอบายภูมิก็มีอย่างองค์ดิมานเป็นต้นฆ่าคนพันกว่าคนเสก มเมื่อพบองค์ส้นเต๋าพระรมโลกกษัตรคือพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวมีความเลื่อมใสเขาบทในพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติเป็นเป็นพระอรหันต์นั่น่าคุณนพันคนนะแต่ว่าเวลานี้เราไม่พบพระ พ, พ, พุทธเจ้าองค์จริงแต่ว่าองค์ปลอมก็ไม่ใช่เที่ยวปั่นไม่ด้ปลอมเปรียนพระพุทธปฏิมากรเปรีย บ, พบพทเทียบพระพุทธเจ้า เราไม่พบพระเจ้าองค์งจริงๆเราทำไงทำยังไงถึงจะไปไปสวรรค์ได้ไปพรนมาโลกได้ปฏิพานได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าส่งสอนไว้วันสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานวันนั้นพระนน์เสียใจว่าองค์สมเด็จพระจอมใจจะนิพพานท่านเองก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่จึงหลีกพรเจ้าไปก็ร้องไห้ ก่อสลักมาต่างร้องไห้บองค์สมเด็จพระจอมใจทรงเรียกเข้ามาเป้าก็เข้ามาเป้าท่านถามว่านนท์ร้องไห้ทําไมถ้านน์กลาวถึงว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมใจจนิพพานแล้วแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นเสข่าบุคคลอยู่คำว่าเซ่ข่าบุคคลหมายความบุคคลต้องศึกษาถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เขาเรียกเสข่าบุคคลพระโสดาบันก็ดีพระสิงขาคามีก็ดีข้านาคาก็มี อันนี้เดียาเสสขาบคุคคลถ้าอาศัยขาบคุคคลคนไม่ต้องศึกษาคือพข้ารหันนั่นมายถึงจบแล้วในเมื่อขา้าพเจ้ายังต้องศึกษาอยู่เรานี่พระองค์ทรถหลงคูก็จะนิพพานต่อไปก็จะไม่มีใครสอนขา้าพเจ้าพระเจ้าจะละอนันทาดูก่อนอนนุนถ้าตถาคตนิพพานไปแล้วพระทำไมวินัยที่ตถาคตสอนไว้จะเป็นครูบาอาจารย์สอนเธอ ได้หไหมจับได้ไหมเป็นทางไหนถ้าทำในหนที่พระเจ้าสอนไว้ทั้งหมด8มสี่พันข้อพระที่เรียกว่า8ดมสี่พันมา ร, รมขันเรื่องหนึ่งที่วท ร, รมขันหนึ่งตอนหนึ่งท่ยว ร, รมขันหนึ่งก็ไมนาตั้ง8ดมนสี่พันนีเราไม่จะเป็นต้องปฏิบัติหมดที่พระเจ้าทรงเทศไปมากเพราะว่าเพื่อให้อบอกองค์นนี้ใของคน ผู้ปฏิเสธเขาคนนันไม่เสมอกันบางคนก็มีบุญญาบารมีมามากบางคนมีบุญญาบารมีมาปานกลางบางคนมีบุญญาบารมีน้อยดัะนั้นการสอนเหมือนกันไม่ได้คนที่มีบุญมากก็ต้องสอนมากท่าไงอ้า่จริงๆนะคนมีบุญมากต้องพูดมากคนมีบุญน้อยก็พูดน้อยท่าไง ถ้าคนมีความรู้มากก็พูดมากใช่ไหมคนมีความรู้น้อยก็พูดน้อยอย่างที่พระเจ้าทรงเทศกับคณาจารย์ต่างๆคณาจารย์ต่างนิเทศยาวมากอย่างธรรมจักรกับกวัฒนสูตรเทศกับพระเจ้ากิริศีทั้งห้านี่ยาวมากอาธิบริยาสูตรเทศกับพระเจดีนี่ยาวมาก ถ้าเทค่คือคนธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่ใช่อาจารยาจารย์ญเทศสั้นอย่างเทศก็วัคคะลิวัคคะลิบุคคนใดเห็นธรรบุคคนนั้นชื่เห็นนิฐาคตใช่ไหมเห็นไหมันนี้ก็เรียกธรรมขัญอย่างเี้ครับใช่าการเท่พระเจ้าใช่หลายแบบแล้วคนมีกําลังใจไม่สมัมกันมีความเข้าใจไม่เท่ากันท่ น, นี้มาพวกเราเราพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมด ใครมีบรมีแก่กล้าขนาดไหนอาตมาก็ไม่ทราบตอนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้สาย ก, กลางสายกลางวิธีปฏิบัติคือว่านักปฏิบัติทุกคนอันดับแรกท่านแนะนำไม่ใช่ลมหายใจเข้าออกก่อนอันนี้ทิ้งไม่ได้นะแต่อาจารย์ใหญ่ในกรรมฐาน40สบและในธมาหาจิษฐานสูตรก็ตาม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 รู้ลมเข้ารู้ลมออกเราไม่คิดจะไปขโมยของใครเราไม่คิดจะไปฆ่าใครไม่คิดจะแย่งความรักของใครไ ม, ไม่ไม่มีเวลาที่จะคิดโกหกใครไ ม, ม่เวลาที่จะไปดื่มลาุรามีรัรขณะที่รู้ลมเข้าลมออกจิตจับโดยเฉพาะก็ว่างจากกิเลสหยาบห้าประการที่กิเลสทั้งหมดก็ถือว่าเวลานั้นจิตของเราเป็นบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง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 มีอการสงบสงบดีแต่บางเวลาจิตมันต้องการคิดเวลานั้นจับลมหายใจเขาออกลมหายใจก็ออกน่านต้จับไปไเรื่อยๆแต่ว่าจิตจะไม่มีการทรงตัวรู้ลมเข้ารู้ลมออกจะไม่อยากคิดอันนี้ต้องปล่อยให้มันคิดถ้าฝืนไม่ได้ฝืนยิงมีอาการกลุ่มคิดก็คิดอยู่ในขอบเข็งกรรมฐานอย่างในกรรมฐานสี่สินี่มีอารมณ์ทรงตัวแค่เสเ็ดอย่าง ถ้มีอารมณ์คิดที่ยิบก้าอย่างไปใช้กองใดก็ไหนก็ได้ในยิบก้าอย่างคิดกองไหนก็ได้คิดตามแล้วในมหาจรฐานะสุดก็มีหลายสิบตอนแต่ว่ามีแท้มีกำหนดรูปกัน ท, นทนรงตัวอยู่ตอนเดียวคือนาปานุสตินอกจากนั้นไม่ลงคิดหมดฉะนั้นถ้าจิตมันต้องการคิดก็ห้ามันคิดเอาคิดง่ายๆดีกว่านะคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตาย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 เพราะมผูกมันทางไปทุกวันในเมื่อคนรลสัตว์ทั้งหมดเกิดมาจะต้องตายเราก็ต้องตายเหมือนกันนี่ก็คิดต่อไปว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์แต่ข้านาอาจารย์ต่างๆเขาว่าศูนย์ก็มีพระพุทธเจ้าองค์แต่ไม่ใช่องค์เดียวนะก็พราหมณ์บางพวกบอกไม่ศูนย์พวกพราหมณ์ก็ถือพรมเขาต้องการไปเป็นพรม พระเจ้าแล้วก็บอกไม่สนเหมือนกันท่านบอกว่าคนเราถ้าตายเป็นแล้วขนาดจะตายขนานั้นถ้าจิตจับสิ่งที่เป็นกุศลถึงแม้่จะมีบาปมาในกาก่อนมากสักเท่าไรก็ตามทีแต่ว่าก่อนจะตายจิตจับบุญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้รวมให้ใจเขาออกอันนี้ก็เป็นบุญให ญ, ญ่หรือว่าภาวนาวัคคโต ปุณมะพัฒน์ก็ตามสมารถก็ตามเหมือนกันหมดอะไรก็ได้หรือว่าไม่คิดถึงกรรมฐ า, านคิดว่าเราเคยใส่บาตรเราเคยบูชาพระเราเคยให้ทานเราเคยฟังเทศอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ารงมาจับอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นบาปจะเข้าแท่จิตไม่ได้เลยบุญเขาขวางเมื่อบุญเขาขวางได้เวลานั้นตายเพระจิตออกจากร่าง ก็ไปสวรรค์ก่อนเห็นไหมแล้วก็อย่าลืมนะถ้าบุญหมดลงนรกใหม่คือถ้าหากว่าเราในสมัยนี้ถ้าคนทุกคนมีความไม่ฉลาดมากเกินไปไม่ฉลาดมากเกินไปเขาเรียกว่าโง่น่ะอย่าไม่ดีนะต้องฉลาดกอดีไม่ฉลาดมากเกินไปก็ตั้งใจโดยเฉพาะมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ตามใจมันี่ เราทำบุญทุกอย่างตั้งใจไว้จุดเดียวคือนิพพานเราบูชาพระก็ปรัถานานิพพานเราใส่บ่ายก็วัฒนานิพพานเราสวดมนต์ก็ปรัฒนานิพพานเราให้ทานแล้วก็หวังนิพพานเราจะเรยิยกรรมฐานแล้วก็หวังนิพพานจิตจับไว้จุดเดียวว่าถ้าตายเมรัยเข้าไปนิพพานจุดเดียวท <c oughs> ่านทท่บะเอินบุญนรอ่อน เราตายจริงมันไปนิพพานไม่ได้ไปได้แค่สวรรค์หรือพรห ม, มโลกก็ไม่ใช่ของหนังใจเพราะว่าในกลับนี้ยังมีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่จะมาเร็วนี้เร็วนี้คือพระอัสสีอาดิ亚马สตรัยอีกไม่นานเราเป็นเทวดาเป็นานางฟ้าหรือเป็นพรหมไม่กี่ไม่กี่ปีนักท่านก็มาเข้นมาในโลกขณะที่เราเป็นเทวดาได้เป็นานางฟ้าด้เป็นพรหม มีโอกาสฟังเทศมากกว่ามนุษย์เพราะว่าเทวดานางฟ้าฤาผมนี่ไม่มีงาน <c oughs> ไม่ต้องหุงข้าวกินไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องถ่ายจระไม่ต้องถ่ายปัสสาวะไม่ต้องเอ า, เอามุงมากันยุงอะไรนะทุกอย่างนะไม่มีความแก่ความเท่ามันมีอะไรทั้งหมดเขามีแต่ความสุขเวลาที่เขาจะฟังเทศก็มีมากแล้วถ้าพระเจ้าเทศถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องนรกเขาก็มองเห็นนรก แต่ถึงมนุษย์ก็มองเห็นมนุษย์มนุษย์เกิดไม่กี่วันก็ตายพวกเขายังไม่ตายอย่างเทวดาเช่นดาวเดือนางฟ้าเช่นดาวเดืองนี่ร้อยปีของเขาเป็นหนึ่งวันของเรา <c oughs> <c oughs> เขาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเช่นดาวเดืองไม่ถึงครึงง่งวันก็จะเลือกครึ่งวันพอดีเรากายุเข้าไปห้าสิบปีแล้ ว, ขขวลใช่ไหมไม่ทันเต็มไปั้งเขาเราก็ตายเขาก็จะมองเห็นว่าการเป็นมนุษย์ของเขาไม่แน่นอน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 ดวงฟ้าถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าเป็นพรหมฟังเทศจาพระสีอานจบเดียวอาศัยทีจิตใจตั้งไว้เพื่อ น, นิพานอย่างน้อยที่สุดท่านที่ไม่เป็นปะโสดาบันจะได้เป็นปะโสดาบันถ้าเป็นปะโสดาบันก่อนตายอันนี้ไม่ตรงวงละฟังเทศจบเดียวก็เป็นพระราหันเลยมีหวังนิพานแน่นอ <c oughs> นจะได้วิธีปฏิบัติจะปฏิบัติยังไง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 วิธีปรร้องกันก็มีว่าตามที่พระเจ้าทรงสอนท่านบอกขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปที่ทามาแล้วในการก่อนอย่าตามนึกถึงปล่อยทิ้งมันไปเลยคิดอย่างเดียวเราเคยทำบุญอะไรบ้างยังเคยใส่บาตรเคยบูชาพระเคยสวดมนต์เคยฟังเทศน์อย่างเคยให้ทานยีงอย่างเป็นต้นตามนึกถึงไม่โดยเฉพาะ มันก็จะมีาอารมณ์ชินจะเพราะบุญมันก็จะห่างเหินเรื่องบาปแต่นนี้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าบา ป, บาปมันเป็นของไม่ดีเราคิดว่าจะไม่ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือสินห้าเราคิดว่าจะไม่ละเมิดบางทีกบเผลอไปละเมิดเข้ามเมื่อละเมิดเขาแล้วก็ตกใจเมื่อตกใจก็ทิ้งมันใหม่ไม่ตามนึกถึงมันนึกถึงบุญต่อไป วิธีที่พระเจ้าสอนแนะนําง่ายๆนึกขึ้นมาถือว่าให้ภาวนาที่พุทธานุสิกรรมฐานที่ใช้คำว่าพุทธโธแล้วว่าคำภาวนาในอย่างใดก็ได้นะขนาดที่ก่อนที่เราจะภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าคําสอนทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าจะภาวนาพุทธโธก็ได้สามาอรัง้ธิทุปขะโตก็ได้ลมัพะทะก็ได้ตามใจชอบ ตาจิงเราก่อนจะภาวนา น, น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเชื่อเป็นพุทธานุิสสิตความฐานึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์นี่การที่พระเจ้าแนะนําให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราบอกพระพุทธเจ้ามีกําลังสูงมากคุญญาติการมากแม้แต่คนที่มีบาปมากๆแค่นึกถึงพระองค์อย่างเดียวโดวยไม่มีความเคารพมา ก, ก่อน ก็ยังสามารถปนิพันได้ตัวอย่างอาจารยนุชโจคุณชนะรงจะเริ่มเขาโทษแ ก, ก, กล้งดืมชื่อ <c oughs> ตัวอย่างสุปฏิติตาเทพบุตรสุปฏิติตาเทพบุ ต, ตรคนนี้ตั้งแต่เกิดมายันตายไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าไม่เคยให้ทาน ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยครบอะไรทั้งหมดความชั่วมีความดีไม่ปรากฏมีแต่ความชั่วอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศินห้ากัการทบทวนไอ้ครบครบนี่ไม่เหลือครอบจะขาดครบเห็นไหมขาดไม่เหลือศินห้าก็ขาดด้วยไฟธรรมะก็ขาด เวลาใครที่เขาทำบุญสุนทานกันเห็นแล้วแกล้งทําไปไม่เห็นได้ยินแล้วแกล้งทําไปไม่ได้ยินเป็นต้นแกล้งขัดขวางคนนี้เขาทําบุญเวลาใกล้จะตายเข้ามาจริงๆเกิดทุกขเวทนาหนักก็มองดูทรัพย์สมบัติมองดูปัญญามองดูลูกผู้หญิงลูกผู้ชายข้าทายหญิงชายก็นั่งล้อมอยู่ ก็ น, นึกในใจว่าคนทุกคนนี่เามีความห่วงใยในเราแ้วก็ไม่มีใครเลยที่สามารถจะระงับทุกขเวทนาของเราได้อาการเจ็บปวดอึดเสียดเวลานี้มันมีแต่เราผู้เดียวทุกคนเขาสงสารเร า, เาก็ช่วยเราไม่ได้นีเวลานี้จะต้องการใครบ้างที่จะช่วยเรานึกไปนึกมานึกปาปนึอไปเรคิดไม่ออก ไปนึกได้ว่าก็าลือกันว่าพระสมณโคดมคือพระเจ้าของเราพรงมีพระเมตตาไม่เลือกบุคคลใดไม่ว่าใครท่านจะทรงเคราะห์ท่านมีเมตตามากเวลานั้นจึงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าขอพระพร ะ, พระสมณโคดมจงมาที่นี่จงสงเคราะห์ข้าพเจ้าให้หายจาก โ, กโกครคโรคภัยไข้เจ็บพระจ้าทุกขเวทนาในขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง ก็ตายในเวลานั้นในเมื่อตายเจะเวลานั้นแล้ ว, ลว ก, ก็ไปอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวในะมือก็มันยกมือไหว้นะมือยกไม่ขึ้นนะนึกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้นึกจะมาบูชานึกใช้ใหม้มาส่งเคราะห์รักษาหายโรคตายจากความมีคนเวลานั้นไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลก มีวิมานทองคำไม่ได้อยู่มีนางค้าหนึ่งันบริวาร น, <c oughs> นี่แค่นึกถึงพระเจ้าแล้วไม่เคยเคารพมาก่อนนะหรือว่าตามที่อธเนกะวกับพรามถามพระเจ้าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ ม, มีไหมพระเจ้าก็ตอบว่าสมณะดูก่อนพราม คนนี้นึกถึงชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเกิดบนสวรรค์ไม่เห็นนับร้อยนับพันนับเป็นโกดเนี่สุปฏิทิตาเทวดาก็เช่นเดียวกันอาศัยที่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าความจริงเขาเปนึกนักติดความเคารพนะเขาได้แค่มารักษาโรคเขาแต่บังเอิญบัญญาดิการพระเจ้าบ่าวธิบารีกล่าวว่าผูโตอัปปามานโนคุณของพรเจ้าหาประมาณไม่ได้ จึงไปเหตุเขาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันเดาดึงเทวโลก <c oughs> แต่ว่าอาศัยที่เขามีบุญใหญ่แต่ว่ากําลังบุญน้อยปริม้เของบุญน้อยบุญนี้นึกถึงบบว่าพระพุทธเจ้ามีค่าสูงสุดแต่ว่ากําลังมีเวลานิดเดียวถ้าเวลาที่เขานึกเวลาไม่นานก็ตาย <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นการเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันเดาดึงเทวโลก จึงเป็นเทวดาที่มีอายุไม่เต็มอายุไขัยนั่นหมายความอายุไขัเทวดาบริสุชิดาวดึงเนี่ยมีอายุพันปีทิพย์ถ้าปีนะหนึ่งร้อยปีเราไเป็นหนึ่งวัน30วันเป็นหนึ่งเดือนสิองเดือนเป็นหนึ่งปีถ้าพันปีทิพย์ไม่กี่ปีของเราอายุไม่เต็มอายุไขั เวลานั้นเป็นเวลาที่ใกล้เขาจะต้องจติลมาเกิดก็เป็นเวลาพอดีที่องค์สมเดะสัมมาทัตว์เจ้าขึ้นไปเทศโกฏวัตมานดาพอดีขณะที่พระเจ้ากำลังเทศอยู่ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมีนามาอากาศจารีเทพบุตรเธอฟังเทศประเดี๋ยวหนึ่งเธอก็หอกไปคำว่าอากาศจารีเนี่ยไม่ใช่ชื่อไม่ชื่อจริง เป็นแคกชื่อกัรจริยาเพาะปประกาศว่าพ่อเอ้ยไม่เอ้ยขออยวิมานี้เวลานี้พระเจ้ามาโปรดแล้วไปฟังเทศกันไปต่อบุญบารมีประกาศทั่วไปเทวดาต่างๆได้ทราบต่างๆกูต่างมานางฟ้ากพมากัน <c oughs> ก็ไปพบวิมานหลังหนึ่ง <c oughs> มีสภาพเศร้าหมองตามธรรมดาเทวดาจะต้อจดตี น, น, นึ่งวิมานเศร้าหมองสองเครื่องทิพเศร้าหมอง สามีเหนื่อยจะรักแรอยังนี้เป็นต้นแล้วสี่หมดบนห้าหมดอาหารก็สังเกตดูว่าพิมานเศร้าหมองก็ทราบว่าเาวดาวนี้จะต้องจุดติพันในเจ็ดวันคุณ <c oughs> ยัร้อนตะโกนถามว่าใครเป็นเจ้าของพิมานนี้แกจะตายภายในเจ็ดวันทาไมไม่เป็นฟังเทศสร้างผมบ ร, รมีต่อสุตติติตาเทบุตร้นไปด้วยความเป็นทิพย์ ก็ติ้งเสียงก็ตกใจมองดูตัวเองเห็นเครื่องทิพย์เศร้าหมองเห็นเนื่อไหลเจรักๆ แ, แน่ใจต้องตายแน่แล้วเมื่อเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่ก็อยากจะทราบต่อไปด้วยอารมทิพย์ว่าถ้าตายจากความเทวดาเราจะไปไหน <c oughs> ก็ทราบด้วยกำลังใจที่าาเป็นที่ว่าถ้าตายจากเทวดาแล้วเราต้องลงนรกอันดับแรกลงเอเวจีมหานรก ก็ไส่ฆ่าสัตว์เป็นอาินกรรมขมโมยเขาเป็นอินกรรมเป็นชู้ลูกเขาเมียเขาเป็นอาินกรรมก็หกเวาอาชิกรรมดื่มสุรามีไรเป็นจินกรรมดีไหมไฉ ร, ร, ร, รงดีก็ไปนะไปไหมอ้าวนื่จาไปโสสาวส า, าเตือนแล่ต่อมาก็แกก็ตกนรกทุกขุมนรกไปขุมตกหมด บริวัรขุมนับสี่ขุมตกหมดยมโลกยัรกอีกสิบขุมหมดเป็ดสิบสองยังพวกหมดสติฉานทุกประเภทที่ฆ่าเข้ามาแล้วเท่าไหร่ตายเป็นสัตว์ประเภทนั้นตายจานวนที่คือฆ่าเขาไว้เขามาดีไหมดีนะ่ะแล้วต่อจากนั้นไปก็เกิดเป็นสัตว์พิเศษเป็นแรงห้าร้ยชาติเป็นพิเศษเป็นหมาบ้าห้าร้อยชาติ แล้วก็แล้วก็มาเกิดเป็นคนเกิดเปน็นปคนหุ้นโด่ห้าร้อยชาติตาบอดห้าร้อชาติาเป็นง้อยห้าร้อยชาติดีไหมตอนนี้เธอก็ทุนแล้วก็อะไรให้เกิดเป็นคนหุ้นโดห้าร้อยชาติเนี่ยเวลาที่เขาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เธอก็สนทนาธรรมอยู่ส่งเสียงกรบเสียงธรรม อย่างนี้เขาหุ้นหัวโโห้าร้อยชาติตาบอดห้าร้อยชาติก็ทําบุญตั้งอกส่งก็อยู่เห็นแล้วแก้งทําไปเม่เห็นเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเพราะใัยกันดื่มสุราดำเบรยเป็นคนก้อยห้าร้อชาติเพราะใส่กันฆ่าสัตว์ชีวิตใส่ของกรรมนะจึงจะมาเป็นคนปกตินานหลายไม่รู้กี่กับนับกลับไม่ตัวแล้วนะ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 พีนบอกฉันเป็นนายเธอแต่ว่าฉันก็เป็นเทวดาไม่กันช่วยไม่ได้ไปบอกว่ามีองค์เดียวที่ช่วยได้หรือไม่ได้คือพระพุทธเจ้าท้าพวเจ้าอีกองค์หนึงช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้ ก, รรกด็าาพาเขาไปหาพระพุทธเจ้าพระอินก็กราบทูลความเป็นมาให้ทรงทราบพุพทธ เ, พพเทจ้าพิจารณาว่าถ้าตถาคตเทศอวิธรรม จะมีผลกับเทวดาองค์นี้ไหมก็ทราบว่าถ้าเทพธรรมไม่มีผลแน่เธอจึงตุติตุติลงเวจีตอนที่แล้วมาท่านก็นั่็เทศอะไรดีท่านจึงทราบว่าถ้าเทพอุณหิสุชาติสูตรจะไปที่ชอบใจเทวดาองค์นี้ท่านยังเทศอุณหิสชายิสูตรพอจบสุปฏิทิตาเทพบุตรก็บรรลุพระโสดาบันทันทีใช่ไหม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 ในสำหรับบรรดาท่านพระธรริสัจก็เช่นเดียวกันวันนี้เราพูดกันเรื่องการรบแบบง่ายๆนั่นคืออย่างถ้ายทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่างท่านที่ได้มโนยิทธิภาวนาวนามะวะธานี่ไม่พ้นพระพุทธเจ้านะเราไปถึงพระเจ้าเองใช้ได้ดีมากท่านที่ไม่ได้มโนยิทธิก็นึกถึงพระเจ้าไวคือภาวนาภาวนาวพุทโธ เวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าอยู่ใกล้พระพุทธรูปให้นึกถึงพระพุทธองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบภาวนาไปด้วยนึกถึงภาพพระ ถ, ถึงภาพตนด้วยถึงว่าการภาวนานั้นจะแค่เวลาไม่นานก็ไม่เป็นไรทําให้เป็นอาจินตกรรมอย่างน้อยที่สุดก่อนจะรับภ า, าวนาพุทโธสักสิบครั้ง ตื่นขึ้นมาใหม่ๆภาวนาอุพัโธทุสิบครั้งเอาแค่ น, นี้พอทำให้คณะพูดแทนของจอมเทียอย่างนี้ทุกวันต่อไปแจ้องอารมณ์มชินสมาธิมันสูงขึ้นก็จะมากกว่านั้นต่อไปทํามากกว่าภาวนาแค่สบายภาวนาไปภาวนาไปเ พ, พราะเรื่องจิตเริ่มบุ่นวายจะกรสับกระ ส, สแล้วก็เลิกเชืเ่าาถ้าทำอย่างนี้จิตจะชินในคำว่าอุทโธคือชื่อพ ร, พระพุทธเจ้าถ้าเวลาก่อนที่ท่านจะตาย ท่านจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าก่อนแไ้ววสวรรค์ก่อนอรรถบัณฑาเถรพุทธวิสตัตถังหลายท่านยายบอกวันเวลาพอ ด, ดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทากนกรรมฐาน คนชาวทุนมหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองคเดือนกันยายนสองพรอยสาเมื่อคืนนี้พูดเรื่องปกินนกะวันนี้ก็ขอผู้เรื่องพื้นฐานกรรมาฐานเพื่อสมาธิจ่คิดว่าเวลาสามสิบนาทีคงไม่จบถ้าหากว่าการผู้เรื่องพื้นฐานเบื้องต้นนี้ถ้าญาติโยมที่รู้แล้วถ้าเาใครก็ขอภ r ยด้วยนะ กอประโยชน์สำหรญาตโยมที่มาใหม่สมาธิระความตั้งใจตอนขั้นตอนจะมีเยอะๆแต่ว่าขบันดา ญ, ญาตโยมเพื่อิษัทุกคนเวลาทำให้พอใจในอารมณ์ที่ทรงอยู่เวลานั้นจะทรงอยู่ในขั้นอารมณ์ไหนก็ตามไม่พอใจในอารมณ์นั้นจิตใจจะได้ไม่มีการตุ้มสมาธิขั้นต้นท่านในวิารา น, นี้สายสมาธิ ่ปแปลว่าสมาธิเล็กน้อยนั่นหมัยความอันดับแรกท่านแมะ น, นาให้รู้ลงให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็นรู้อยู่นี่ตามแบบในมหาติธรประธานสูตรถ้าตามแบบวิสุทธิมรรค ให้ใจเข้ากระทบจมูกให้ใจออกกระทบจมูกมีความรู้สึกตามนี้เป็นคณิการสมาธิไม่ได้ว่าสมาธิเล็กน้อยตวงความว่าการสมาธิที่ส่งตัวเล็กน้อยก็าตามแค่มากก็าตามแคน้อยก็าตามก็ถือว่ามีอยวในสง่งการเจริญสมาธิในมีอยู่ในส่งมากคําว่าสมาธิเล็กน้อยก็หมายความถ้าบรรดาญาโยมพุทธริษัช หายใจเข้ารู้อยู่หาใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวรู้สั้นหายใจออกยาวรสั้นก็รู้แล้วแถมรู้คำภาวนาด้วยแล้วการทรงตัวรู้แบบนี้เป็นได้ไม่นานสักประเดียวเดียวอาร์อื่นก็เข้ามาแทรกคิดตน้นคิดนี่ไปตามเรื่องตามราวแต่พอรู้ตัวมาแล้วเราก็เอาใหม่ พอรู้อารมพุงสร้างเกิดขึ้นก็เอาใหม่กระจับลงให้ใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปทําได้อย่างนี้เพียงแค่เล็กน้อยอารมก็อารคิดรื่อื่นต่อไปอีกถ้าทําได้เล็กน้อยเพียงเท่านี้ท่านได้ประกาศนิกาสมาธิแล้วขาดนิกาสมาธิธรรมดาเธ็พระบริษัท ย, ยงอย่าคิดว่าไม่มีอเนกสง ก็มีบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทหลายท่านเคยมาตรรพบัยทราบว่าจิตใจไม่สงบในความจริงจิตใจของคนนี้ไม่สงบจะสงบเรียบร้อยจริงๆไม่คิดอะไ ร, ร อ, อื่นเลยนั้นไม่ได้ต้องมีอารมณ์คิดเข้ามาแทรกไปขอธรรมดาท่านที่จะทรงอารมณ์ส ง, ง, สงบได้จริงๆตามกันเวลาที่ต้องการก็คือผู้ทรงฌานเป็นอย่างต่ํา ท่านพูดทรงฌานที่ตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะเวลาเท่านี้เราจะเป็นสิดงอื่นจะคิดอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกก็คำภาวนาแล้วพิจารณาเป็นต้นถ้าหมดเวลาปั๊บจิตจะตกทันทีทจิตก็เริ่มคิดอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งที่หาว่าท่านจะทรงอารมณ์ได้จริงก็คือพระราหันพระราหันนี่ส่งอารมณ์แน่นอนเังนั้นในฐานะเทวดาท่านพุทธบริษัทยังไม่เป็นพระราหัน ก็เป็นของธรรมดาที่จิตต้องมีการอารมณ์มีอร ม, ม, มแทรกที่เรียกว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาแต่าการที่เราสามารถสงลมได้ไม่แต่เพียงเล็กน้อยอย่างให้ใจเข้าใจออกรู้อยู่สักสิบครั้งนี่เราสามารถทรงได้โลกสามสี่ครั้งเราสามารถทรงได้ก็ที่ว่าจิตทรงสมาธิตามที่พระพุทธเ จ, าจ้าใส่คำสารีบุทว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบท บุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานคำว่าว่างจจกิเลสก็หมายความว่าขนาดใดที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ตามเรารู้คำภาวนาอยู่ก็ตามไม่คิดเรื่องอืเข้ามาแทรกอย่างนั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลส แต่ประเอมนว่าสักหนื่งนาทีมันก็มากกว่นขนาขณะดจิตหนึ่งขนาจิตหนึ่งได้มันนิดเดียวแม้แต่ว่านิดเดียววันหนึ่งพุทธเจ้ายังทรงชมเชยว่าเป็นจิตไม่ว่างจากฌานแต่สําหรับท่านพุทธบริษัทไม่สา ม, มารถจะทำสมาธิได้ดีกว่านี้จะทรงได้แค่อุปจารสมาธิเอานานักไม่ได้เขาว่านานักไม่ได้หายถึงชั่วโมง อาสักข้านาทีสินาทีไม่สามารถจะส่งได้จะมีอะไส่งขั้นไห น, ค ำ, นคำว่าสมาธิจะพูดก่อนคําว่าสมาธิเราว่าตั้งใจเพื่อตั้งใจอนุสติเขาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเรี๋ยวพุทธานุสติตั้งใจนึกถึงพระธรรมคํำสอนเรื่ธรรมานุสติตั้งใจนึกถึงพระสงฆ์เป็นสังขานุสติตั้งใจนึกถึงพระศีลเป็นศีลานุสติต ตั้งใจนึกคุณธรรมที่ตั้งบุคคเทวดาเวทวตานุสติตั้งใจจะบริจาคทานเป็นจากทา น, นุสติตั้งใจนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตั้งใจนึกถึงาการสาริสสองเป็นกายยานตานุสติตั้งใจนึกถึงวัลลีพานเป็นอารมณ์เรื่องเรี่ยวอุปสมานุสติตั้งใจรู้ลมหายใจก็ออกแวดนาภานุสติทั้งหมดนี้ถ้าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ตามใจชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีอะนรสง่งสำหรั บ, บอันหน้สง ค, คนที่ได้กำลังสมาธิหรืออุปจาระสมาธิก็ขอยกตัวอย่างให้ฟังถ้าพูดก็จะข้ออารมณ์จะรำคาญจะว่วนนอนไดหลับดีกว่าอันหนงส์ก็ับีว่าในสมัยพมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปชนอยู่คนนี้เริ่มตาสว่าง เรืงใจสว่ ان, างหน่อยนะเวลานาั i, Brooklyn, un. ้นอาสนาทิพย์กรเศรษฐีท่านเป็นทายกใหญ่ของวัทจัานนามีมนาวิสาขาเหมาวาสิกาเป็นเป็นเป็นเหมาวาสิกาใหญ่ก็มีคนไปส่งมาสนัคททำงานที่บ้านนายวิการเศรษฐีทมหาเศรษฐีก็บอกว่างานอื่นนมีคนทำพร้อมแล้ว แต่ขาดงานอย่างประเภทเดียวคือโหตัดฟืนเธอจะทําได้ไหมคนนั้นเป็นคนจนบอกงานอะไรผมก็ทําครับว่าทํามหาเศรษฐีรับเธอก็ดีใจอิ่งใจไม่ทันจะกินข้าวข้าเช้านะข้าวเช้ายังไม่ทันจะกิน้วข้าวฝันข้าป่าไปข้าวฝันข้าวบาไปก็ไปตัดฟืนแต่ตอนเช้า ตอนนี้เวลาตอนเย็นกลับมาบ้านบังเอิญวันนั้นเป็นวันพระวันพระที่สมมหาเศรษฐีให้ทุกคนในบ้านเล่าสาวโบสถ์สติสินเหมือนกันหมดแม้แต่เด็กเล็กๆที่กําลังกินนมแม่จะให้ล้างปากแล้วก็แทนที่กินนมแม่เรากินน้ําผึ้งหรือน้ำตาลแทนนี่ชายก็นั้นกลับมาบ้านตอนเย็นจะกินข้าว แม่ครก็ทํากับข้าวกับข้าวเฉพาะเขาคนเดียวเขาเห็น ก, ก็ก็แปลกใจว่าตอนเช้าเรยเสีงเสีย ง, งเออะวุว่วายขอข้าวกันกินมึงขอแกงมึงขอกับมึงขอข้าวยังไม่เริ่มต้นแต่เขาไม่ทันจะกินเพราะอิ่มใจแต่ว่าตอนเย็นนี่สบายเงียบสงัดมีต่เราผู้เดียวก็ถามแม่คัวว่าคนทุกคนไปไหนหมดแล้วทาไมไม่มีใครกินข้าวตอนเย็นกันล่ะ แม่ครัก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพระวันพระท่านมหาเศรษฐีให้ทุกคนในบ้านนี้รักษาโอเบสถศรีนอโบสดศรีนได้กินข้าวหลังเที่ยงไม่ได้ไม่มีไม่ไมีใครเขากินกันตอนนี้ท่านมหาวันทุกัตะคือว่าลูกจ้างคนนั้นก็มีความรู้สึกในใจว่าแส่ใจโอโบสถไปยังไงจึงถามว่าอโบสดศรีนไปนยังไงแม่ครัก็บอกว่ามีสีขาบทแปด ก็ถามว่าปฏิบัติแบบไหนไม่ครบบอกว่าฉันไม่เข้าใจถ้าจะรู้จริงๆให้ไปถามท่านมหาเสถียรเพราะว่าเวลาเนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วตอนเชาน้าฉันไม่ได้สมาทานถ้าสมาทานเวลานี้ก็เป็นโบสุดช่งวันจะได้หรือไม่ได้ฉันไม่ทราบเขาก็ไปหาท่านมหาเสถียรท่ามหาเสถียรเขแนะนําว่าโวสุดจสิน้นเรักษากันวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง แปลว่าถ้าไม่สามารถจะรักษาได้ต่อวันตใอคืนถ้าสาวา่าครึ่งวันก็ใช้ได้ก็มีอันนี้สองเขาว่าขอให้มหาเศรีอธิบายต่อพระสัตรีเมื่อเขารับสืขาบทมาจากามหาเศรีแล้วก็เลยไม่กินข้าวตอนเย็นเป็นว่าวันนั้นทั้งวันเขาไม่ได้กินข้าวแถมเหมนื่ยการตัดฟืนด้วย พอตอนดึกขึ้นมาความหิวก็เกิดขึ้นลมก็กำเริบขึ้นมกาการไม่สบายป่วยป่วยหนักมีคนรับใช้มาบอกท่านมหาเศรษฐีก็ลูกจ้างที่มาอยู่ใหม่สำหรับป่วยหนักลมแร ง, งลมกำเริบขึ้นปุ๊จุกเสียดหนักกนมหาเศรษฐีก็นำอาหารอย่างดีมีรสท่ายอย่างไ้ทักชวนให้เธอกินพอให้กิงข้าวแล้วเอจะได้หายจากโรคโรคมันเกิดจากความหิว แต่พลังเลยบอกว่าความดีหนึ่งวันผมไม่สามารถจะทําได้แในเมื่อผมปฏิบัติความดีเป็งแค่ครึ่งวันแค่ครึ่งวันไม่สามารถทําได้ผมถือว่าผมเร็วเกินไปพระมหาสติก็บอกว่าไม่เป็นไรวันอื่นยังมีอยู่อีกตั้งเยอะแยะไม่ใช่มีวันนี้วันเดียวให้กินข้าวเสียแล้ววันหลังถึถงวันโอโบสถตสื่นก็รักษาอุโบสถใหม่ได้เขาก็ไม่ยอม เราบว่าถ้าไม่สามารถจะรักษาได้เขายอมตายเพราะเขาารักษาศินก็เป็นว่าธรรมะสติก็จนใจแล้วเมื่อเขาไม่กินก็ต้องกลับเมื่อกลับไปนี้สมาธิของเขาบรรดาแต่พระกุัทสมาธิของเขาวันนั้นก็จะเป็นศีลานณสตรีกรรมฐานเพราะเขานึกถึงศิลวัวโสทศสินที่เขารักษาแประการนั้นทีปทิศข้าบท เป็นส well ีลาฤทติกรรมฐานขอบันดาลให้บริษัททุกคนใช้กำลังใจคิดว่าคนที่กำลังปวดอยู่อย่างนั้นจะภาวนาแล้นึกถึงถึงตึองึงตดเวลาได้ไหมมันต้องอ่ดมันต้องเสียดเจ็บเนิ่นปวดนี้อาการปวดอาการเจ็บก็เกิดขึ้นบางถ้ามันคลายตัวลงก็นึกถึงสินได้ชุ่ขณะเดียวถ้ามันเสมาอารมณ์ก็ทิ้งศิน ถ้ามัคลายตัวนิดหนึ่งก็นึกถึงสิ่งได้โดยธรรมาดาก็เป็นว่าสมาธิของท่านขุชายคนนั้นก็ได้แค่คณิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยในตอนเช้าเม่อเขาก็ตายหลวงจากความเป็นคนเป็นคนเกาไปผีเนะี่ย่ะตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นผีผีอะไรรู้ไหมผีต้นไม้เดอเป็นลู ก, กเทวดาออไ อ, สอ้สมนิต่อยนะคณิกาสมาธิ สมาธิเล็กร้อยเขาก็เป็นลูกปฏิวดาแต่ว่าเป็นลูกปฏิวดาที่มีอานุภาพมากเพราะใส่นึกศินเป็นอารมณ์ในวันหนึ่งบรรดามหาท่านฤาษีทั้งหลายหสิบรูปตั้งใจจะไปบ้านมหาเศรษฐีที่นี่หมดว้เพราะ้าดูแลขอท่านดาบบททั้งหมดนี่ไปอยู่ข้างๆบ้านเขาจะทำบุญ แต่เมื่อมาระหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งมีพุ่มสวยดีก็เลยเข้าไปพักพักกระลมเริ่นดีก็นนี้หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าราส<ะ>ีก็คิดในใจจะคิดส่งเดชน ะ, ะแต่ความจริงยังไม่ได้ปัญญาจะคิดไปเฉยว่าต้นนี้มีสาขาใหญ่มีใบหนา คงจะมีเทวดารักษาอยู่ที่มีรูปภาพมากดัง น, นั้นถ้าเทวดาที่รักษาต้นไม้ต้นนี้มีความเมตตาในพวกเราเวลานี้พวกเราเดินมาร้อนจัดมีความกระหายน้ํามากอยากจะดื่มน้ําที่สะอาดจากคนแก้ว<น>เทวดาก็มีเมตาขึน้นมาคนแก้วลแล้วล ก, วกว้ตั้งอยู่หนา้าแก้วน้ําตั้งห น, น้าใสแจ๋วเหมือนกัเหมือนน้่งปลาสิง่ะ มีเขาไม่แจ้งโฆษณานีีทั้งแก้วน้ำก in ็กินสบายพอกินแล้วหายก็หายหายอยากน้ำก็คิดต่อไปไอคนมันไม่จบแบบนี้คิดว่าถ้าเทวดาได้เราต้องการน้ำ <c oughs> เธอก็หาน้ำให้ต่อไปในขณะนี้เราเดินทางมาหิวโหวยมากอยากจะได้พระไอ้ผลไม้ผลไม้มาป็นโภคถ้าหากว่าท่านมีจิตเมตตาขอาบันดาลผลไม้แปรกฏ เทวดาก็บรรดาลผลไม้ปรากฏพอเรียกว่าพอกรบรรดาฤาษีนะกินอิ่มน้ำสำราญดีแล้วนอนเข่งนอนไปพักหนึ่งนึงกกนมาได้เอ้พวกเราโดยมาเหงื่อใครมาหนักเหงื่อใครมากถ้าได้น้ำอาบก็จะดีนึกว่าขอเทวดาได้ปรดสงค่อยบรรดาให้ส า, าน้ำเกิดขึ้นสาปุกคนีน้ำใสๆเพื่ออาบก็ <Well. S 1> เป็นนั้นว่าเทวดาก็บรรดาสาบบกนีเกิดขึ้น ไปน้ำอาบไฟใสสบายใจหลังจากนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายก็นึกในใจว่าบรรลึกพร้อมกันเขาเป็นฤาษีเขาเป็นะสิสงเขาเป็สมาธิาเขาเป็ฌานเขาเป็นความคุณเขาทะลคุณเขาบุคคลว่ามีคุณเนื่องจาเทวดาได้มีความเมตตาในเรามากขึ้นหนึ่งเราต้องการกินน้ําก็หาน้ํามาให้โดยการในสองต้องการผลไม้ก็หาผลไม้มาให้ ในการที่สามต้องการอาบน้ำก็สร้างสาปกคีิให้อยากจะเห็นเทวดาอยากเห็นเทวดาขอเห็นเทวดาเทวดาก็จนใจสแสดงตัวให้เห็นพร้ม<า>อมด้วยวิมานวิมานสวยมากเลือเสือวิมานเทวดาก็ตกใจเทวดาก็สวยวหมานก็สวยไหมาถามว่าวท่านผู้เจริญอยากจะทราบว่าในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านทําบุญอะไรไว้ ยึงมีอนุภาพมากอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นเทวดาที่มีอนุภาพมากอย่างนี้วิบานใหญ่แบบนี้แล้วสวยแบบนี้แสงสว่างมากอย่างนี้ไม่เคยเห็นมีก็การอะไรก็สามารถบรรดาลได้เทวดาเน่เท ว, ว, ว, วดาไอเทวดาไอฤศีก็เป็นนวด่าฤสีอ่อนวอนท่านเลยบอกตามความจริงว่าสมัยที่ผมเป็นม น, ษมนุษย์ผมเป็นคนจน ผมไปรับจ้างท่านบัณฑมหาเศรษฐีอาไรากินกัเศรษฐีเป็นคนตัดฟืนเนี่ยเวลาไปสมัครงานยังไม่กินข้าวเช้าไปออตนนี้พอท่านมาหาเศรษฐีรับให้เป็นลูกจ้างตัดฟื่อก็อิ่มใจเกิดปีติลืมกินข้าวเช้าคิดว<อ>่านักเตวบบปฏิเป็นต้นไปเรามีข้าวกินแน่เขาให้เท่าไหรนะ่ยังไม่รู้แต่มีข้าวกินเป็นที่พอใจนะก็นำขวานไปตัดฟืน วันทั้งวันไม่ได้กินข้าวกลับมาก็รักษาโบสถ์ศรัทธาินแค่ขอนคืนมาเกิดโรค ก, กําเริบขึ้นในสตอนใกล้รุ่งก็ตายเพราะตายจากความมีคนว่าอาศัยนึกถึงศินเป็นอารมณ์เพราะอารมณ์หมายควาว่าถ้าอาการอึดเสียดลดตัวลงก็นึกถึงสินเกิดเสียมากซึ่งจะลืมชินไปแ ต, แต่ว่าอารมณ์ขจิตมันมไม่ปล่อย ยิงสินนึกบรรดาให้มันเกิดเปโตรดาเพราะสมาธิเล็กน้อยตอนนี้ทศเสีก็ถามว่าถ้ามหาสติรักษาสินจากใครเทวดาเพราว่าจากพระพุทธเจ้าในนามพระสมณโคดมเวลาดั้งเคยยังไม่รู้จักพระเจ้าก็เพิงเกิดใหม่อโนบดใหม่นะพอฟังเขาว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็ดีใจถามว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนเทวดาก็บอกอยู่ทิศโนดอยู่เมืองโนดนะบอกสถานที่ให้ด้วย เมือสีตั้งหมดระลุกกระหน่าทั้นั้นกราบสามครั้งก็เลยตัดสินใจว่าทุกคนเราไม่ไ ป, ไปบ้านมหาเศรษฐีอยอมเสียสัจจะทิ้งสัจจะไม่ยอมไปบ้านมหาเศรษฐีนะตั้งใจไปฝ้าผู้พระเจ้าพเาอเห็นพระเจ้าข้าพระเจ้าทรงเทศโปรดจบเดียรทุกองไปพระอรหันต์หมดนี่เป็นว่าธรรมดายาโยามพุทธบริษัทถ้าทําสมาธิได้แค่คณิกาสมา ธ, สมาธิสมาธิเล็กน้อยใช่ไหม อย่านักใจยังคิดว่าบุญเขาน้อยเกินไปไม่น้อยคนมีสมาธินี่ไม่น้อยแน่เพราะระหว่างที่จิตมีสมาธิคำว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ดีตั้งใจรู้คํารบรรลัยก็ดีในขณะนั้นจิตของทุกของทุกคนว่างจากกิเลสที่ว่าว่ามัจะว่างไม่นานจิตจะพุ่งสร้างคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวเะรก็เริ่มตั้งตนใหม่ ถ้ามีการกุ้งขึ้นมาเมื่อไหรก็เลิกเหมือนั้นอย่างนี้อริสงอย่างน้อยก็เหมือนกับลู ก, กเทวดาองค์นั้นนี่เฉพาะสมาธินะถ้าอริสงสังฆทานนี้ท่านทําแล้วอย่างอีต่างหาก<บ>าอรสงที่เคยบูชาพระอีต่างหากเคยเคยใส่บาตรให้ตังหากเคยให้ทานกับคนให้ทานกษัตริย์อีต่างหากอรสงไม่มีเฉพาะนี่นะนี่โทาเฉพะสมาธิอย่างเดียวอริสงสังฆทานนี่นะไหนเขาเป็นลู ก, กเทวดาใช่ไหม ยังไม่อาการเทวดาษอริสงสังฆทานนี้ถ้าท่านนึกถึงอยู่เสมอเป็นจารคานุติกรรมฐานและเป็นทานนบารมีคือไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธินึกว่าเราเคยถวายสังฆทานกับพระและตั้งใจตกลว่าเราจะให้ทานกับพระหรือทานกับคนในือทานกัสัตว์ตามควที่เราจะเป็นให้ได้อย่างนี้เป็นจารคานุติกรรมฐานด้วยและผลก็ทานเป็นทานบารมี ถ้าสังฆทานเมรุสงใหญ่ที่จะกล่าวว่าการให้ทานพระเจ้าจร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งใช่ไหมนี่พระอาธิษฐานถวายสังฆทานานี่ไปเกิดที่ไหนรู้ไหมสวรรค์ชั้นที่ห้าที่วันมินมานาูรีสูงมากสูงก็เดานึงแค่เดียสงใหญ่แนตะ่เพชรเม็ดเล็กแต่ราคาแพงอย่าลืมเห็นว่ามินิสังฆทานร้อเดียวนึ่มั น, นก็จะได้สง่งอย่าว่าตั้งร้อยเลยถ้ามีเสลึงเดียว เอาใส่สองมาเคียงหน้าบอกสังฆทานเกี่ยวนี้ก็เกิดสวรรค์ชั้นที่ห้าไหมนกัน ไอ้ที่ข้าไม่น่าพูดครับนั่นเหนื่อยพูดไปแล้วไม่ได้แม้ไปเดือนหน้าจะเหลือหลึงเดียวหมดเลยเดือนหน้าเรามาเทศใหม่่ะเป็นเท่ใหม่เป็นเอาเอาสลึงทองคำกลับยิ่งนักกระทุดนี้อีกแม่เสียท่าไม่น่าพูดและย้ําปากมันไม่ยั้งตัวไป็ลไรครับคิดว่าเป็นสลึงทองคําปกัแล้วกันก็ได้ก็ไปว่าดิบนิดหน่อยก็ตามนะ อย่างบรรดาญาตโยมพุทธุสั์ไปเจรพระตัณหแข่งข้าวตัณหาสี่องค์ขึ้นไปอเอาซื้อกาแฟและโอเลี้ยงเปถวายหนงแก้วและนุ่งแข่งกล่าวก็ได้น้ำขวดก็ได้ถวายท่านถวายเข้าไปเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดมันเป็นสังฆทานเอาพระตันหาสีองค์ไปไม่ต้องกล่าวถ้ า, าว่าน้อยกว่าสี่องค์ต้องบอกว่านี่สังฆทาน อ, อย่างที่นี่เรามี ล, ลกักษณะสังฆทานมีแล้วฉะนั้นไปรู้กัน พระหนึ่งองค์สอง 3, องค์สามองค์นี่ถือเป็นผู้แทนสงฆ์ท่านเองตัวเองไม่มีสิทธิ์ตอนนี้สตังทุกบาทที่บรนดาญ่อดโยมพุทธศัตรูบุญมาบางท่านเขียนทําบุญโน้นทําบุญนี่นี่นใช่เป็นของสองฆ์แนบรางท่านบอกถวายหลวงพ่อไปส่วนองค์แต่ ว, ว่าอาตมาก็ตัดสินใจว่าเงินทุกสตางที่ได้มาเป็นของสองฆ์หมดไอชาตินี้ยังไงไงก็มีกินแล้ว คนต้องให้บ้างขคนนี้ให้มาผมมีกินชาติหน้าเราจะกินที่ไหนถ้ารู้ก็เป็นพวกเราคนเดียวพวกนี้ไปเป็นมหาเศรษฐีหมดฉันก็ต้องไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีอะไรนะมหาเศรษฐีสมัยก็ถือไป็ขอส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวเก็บไปหมดเลยก็มิมิ่งไม่มีอะไรสงสารตอนนี้ในเมื่อเขาให้มาแล้วบอกว่าทีไปของส่วนตัวฉันก็รับ เขาก็ดาลิสงว่าของส่วนองคส่วนตนัวอันสงก็มีอยู่เขาเรียกว่าจิตบุตรทสถานนะตอนนี้ถ้าอาจารยนึกว่าเป็นของสงเ ข, ขาจะมีสงเป็นสังฆทานทันทีไม่ต้องรู้ถ้าฉันะไปก่อสร้างเขาจะมีอันสงเป็นวิหารทานทันทีข้อนี้พระหลวงพ่อปานเคยสอนไว้ในวันบวชวันแรก<อ>ว่าญาติโยมให้สตังมันหนึ่งบาทจงอย่าใช้แต่ผู้เดียว ส่วหนึ่งให้แบ่งเป็นสังฆทานใช่บ uh ้างเป็ีวหารธรามใชบ้างเป็นส่วนตัวใช่บ้างแบ่งส่วนไปถามว่าเกิดถามนับอกว่าเจ้าของเขาไม่รู้ครับว่าผมไม่ทำแบบนั้นเขาจะเบียดอิสงุสไหมท่านถามว่าสตังเขาใครแล้วต่อมาเมื่อฉันทากรรมฐานได้แล้วไปหาพระเจ้าสั่งนะท่านก็แนะนําแบบนี้แนะนำเหมือนการถามท่านเราท่านก็ถามว่าเงินของเขา มันของของเขาเราไปทำแล้วมันก็จาเป็นที่ต้องได้ด้วยก็เป็นว่าทุกขอทุกคนจนมั่นใจในความดีของท่านว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอริสงสมาิคณิกาสมาธินะสมาธิเล็กน้อยนะตายเป็นลูกเทวดาได้แต่ว่าเทวดาที่มีสมบัติมากมีนุภาพมากในการที่สองอริสงทุกท่านที่รักษาศีลเป็นประจำรักษาไม่สุวันก็จังเดมีสิทธิอะกัน จะเรียกว่าสีเลนสุขติยันติคนที่เคยรักษาศีลตายยุติสุขสุขติมีโลกสวรรค์เม่ต้นสีเลนะโพสมัมทาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะร่ำรวยมากสีเลนีงงนน่ผูติญญติจะปฏิภานได้ง่ายพระอริสงฆ์ที่จะไหวสังฆทายของท่านอย่างน้อยที่สุดจะเพาะสังฆท า, านก็ไปเกิดชั้นนิมานะรีชั้นที่ห้าที่เป็นองฆ์นะ รวมว่าทุกคนสร้างความดีมหาศาลไม่แล้วฉะนั้นทําใดที่องค์เส้นเด็จพระบุตรีบแก้ทรงสั่งสอนไว้ว่าว่าให้ทุกคนถึงถึงวันนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากถ้าทำไมจะบอกวาไม่ยากเพราะว่าถ้าเราเกิดเป็นเทวดาจะเป็นลู ก, กเทวดาก็ตามอากาศเทวดาก็ตามสักไม่กี่ปีเป็นเมืองเทวดาถ้าเสียอันก็ตรัสทั้งนี้ถ้าทุกคนไม่ปฏมาัติชีวิตคิดว่าโลกนี้เป็นทุกข์ คือ่าโลกเราคนบโลกไม่มีสุขเกียงสุขไม่นานไม่ชาติหมดบนวาสนาบารมีถ้าเราตายจากคนชาตินี้เราขอไปนิพพานถ้าบังเอิญไปนิพพานไม่ได้จริ ง, รงๆก็รับที่เทวดาหรือพรมสวรรค์หรืพรหมชไหมพอพระสีอานตรัตถายาเรายังไม่ได้ไปโสดาบันจะเป็นพระโสดาบันทันทีพอตอนเช็จบเดียวจบด้วยสองก็เป็นพระราห์าะกลับนี้ยังมีพระเจ้าพายหกองคพระสีอนันเนองที่ห่างชุดแรก เรมีพระรามขึ้นต้นชุดที่สองเริ่มมีชาติปจิรัยากาไปองน์ที่ห้าสมุทรที่สองอสร้างปฏรัยากะเวลานี่อยู่กรุงเทพนี่เกิดศนพร์องค์มาเกิดแล้วเหรอครับเกิดแก่แล้วแก่แก่ขนาะนนละศุพระข้ามถามวัดครับไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่ไม่บอกเล่าสุมณฑ์ถ้าสุมณัตเจ้าลูกพ่อไม่บอกนะวัดสมุนท์นะไม่บอกเไม่บอกเขาไปดิ้งได้ น้าเปลี่ยนนะครับไม่บอกพระสมณานุาความรักเปิดเผยนะครับไม่ได้ครับไมไระสมณนัทครับอุณนนะไม่ได้แล้วครับ่าติโยมุกท่านทังหลายตอนนี้ไปแต้งกาสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานสาธุ ไปก็มาคุยกันเรื่องพิธีปฏิบัติกรรมฐานสําหรับวันนี้ต่อเมื่อคืนนี้แต่ว่าวันนี้คงไม่มีพระสูตรตัวอย่างเพราะว่าเป็นเนื้อแทงกรรมฐานใหญ่สําหรับเมื่อคื น, นได้ฝูดถึงถึงคณินกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยแต่ ก, การเดินสมาธิได้สักปรดี๋ยวเดียวที่ ก, ก็เคลื่อนไปสู่ลามอื่น คิดต้นคิดนี้อเข้ามาแทนประเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นใหม่จับลมหายใจเขาออกหายใจเข้าภาวนาตามหายใจออกภาวนาตามฉากประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแล้วไปคิดเรืองอื่นต่อไปอย่างนี้ถ้าเรียกว่าคณิกาสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิกาสมาธิตัวอย่างที่พูดเมืคืนนี้ ก็มีคนใช้ของอนาธิบินกาเิฐีเมื่อตายจากข้าศัยขณศสมาธิไปเป็นลูกเทวดาแต่ว่าเป็นลูกเทวดาที่มีน้ภาพมากบรรดาฤาษีทั้งหลายที่มาพักใต้ต้นไทรที่เธออยู่นึกว่าต้นไม้ต้นนี้มีมใหญ่เป็นต้นใหญ่มีสาขามาก คงจะมีสิเทวดาที่มีอำนาจมากไม่ใหนสาขาคือจาอำนาจมากสิงสถิตอยู่ผลหน้าฤๅษีคิดว่าถ้าเทวดาเลี้ยงน้ำเราก็ดีก็เดินทางมาไกลก็หายน้ำมากเทวดารู้ใจฤๅษีก็บรรดาหน้ำให้กินต่อมาฤๅษีคิดว่าเวลาน่ากินนกินน้ำแล้วถ้าได้กินผลไม้ก็ดีเราก็มาหิว เทวดาก็บระดานผลไม้ให้กินหลังจากกินผลไม้แล้วเทลสีก็คิดว่าถ้าเรามีสะอาบน้ําก็ดีเพราะร้อนมากเทวดาก็บระดานสายเกิดขึ้นหลังจากนั้นเทวดาอเทลสีคิดว่าเทวดาที่มีคุภาพมากอยากจะเห็นตัวเทวดาก็แสดงตัวให้ปรากฏท้อมในวิมานเป็นเทวดาที่เป็นลูกเทวดาที่มีความสวยส ด, สดงามมากมีแสงสว่างมาก ถ้ามีวิมานสวยมากต่อมาจาึงแนะนำให้บรรดาเทืีทั้งหลายเราด้านรู้ว่าเวลาที่สำเร็จพระพุธมีพระภาพ ค, คือพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นแล้วในโลกเทือศทั้งหลายเราด้านฟังว่าพระเจ้าขึ้นแล้วถามว่าเวลานี้อยู่ด้าทิศไหนเทวดาก็บอกอยู่ทิศโน้นหันหน้าไปทางทิศนันตั้งองค์ต่างรถขึ้นกราบสามครั้งด้วยความเคารพ เวลานั้นพระเจ้าของอุบัสิกมาใหม่ๆหลังจากนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายก็ลาเทวดาไปไปพระพุทธเจ้าฟังเทศแกพระพุทธเจ้าจบ เ, เดียวเป็นพระรลานทั้งหมดเมื่คืนได้มาหยุดแค่นี้นะวันนี้ก็จะพูดถึงสมาธิต่อไปสมาธิต่อไปตามขั้นตอนคุณจิตที่เป็นสมาธิก็คืออุปจาระสมาธิ ทำมาอุปจารสมาธิในแปลว่าใกล้ฌานได้เข yeah. hmm. mm hmm. uh huh. ี่ยฌานยังไม่ถึงฌานสมาบัติอุปจาระสมาธิมีอาการห้าอย่างเรื่องปีติมรรครามีการสามอย่างหนึงปิติสังสุขเอสานอิตามีปีติกับสุขเพราะเอาเอาหนักแักมีจริงๆแล้วมีปีติกับสุขปีติมีแปลความอิ่มใจ ความสุขมีความสุขใจมากทั้งความสุขเกิดขึ้นจากสมาธิเราไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าความสุขขนาดไหนที่เราพบมาแล้วเทียบเท่าความสุขในสมาธิไม่เหมือนดังน้เรื่อ ง, องความสุขั้นไม่มีความทั้งกันมากต่มาพูทั้งปีตีก่อนเมื่อจิจเข้าทั้งอุปจารสมาธิจิตจะมีความสบายมากขึ้น แต่หูยินเสียงชัดเนจนแจ่มใสใครพูดอะไรที่ไหนก็ได้ยินแล้วว่าความรำคาญในเสียงน้อยลงจิตมีการชุ่มชื่นมากมีความสบายมากในตอนที่เข้าถึงอุปจารสมาธิน่บรดาท่านผู้ปริสัท ต, ต้องระวังจี่เขาบอกว่าการเจริญกามฐานไม่คนบ้านในตอนนี้ตอนที่จิตเข้าถึงปีติหรืออุ ป, ป, อปจารสมาธิ มันมีความอิ่มอกอิ่มใจทําแล้วไม่อยากเลิกมันไม่อิ่มมันไม่เบื่อมันมีแต่ความสุขมีความชุ่มชื่นไม่ไม่พักไม่ผ่อนตามเวลาที่พักผ่อนนอนไม่ได้นอนกินก็ไม่ได้มากในที่สุดสมรูเสมรู้สัจบาทแค่ในในการปฏิบัติกรรมฐานต้องถือเวลาพักผ่อนตามท้องขวรตามเตอตามเดิมเราเคยพักผ่อนเวลาไหนต้องพักผ่อนเวลานั้น ไม่ใช่ว่าทําครมฐานเพลินจะไม่เลิกวันยังข้างคืนรุง่งไม่เลิกยัใช้ไม่ได้เพลินไปเป็นอัตจารยกรรมฐานนิยมเป็นการทรมาณตัวพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางมรุมาตรผลทีนั่นได้เมื่อจิตเข้าถึงสัมปวิติทุกประจารสมาธิก็ต้องมนมาระวังว่ามันจะสุขขนาดไหนก็เฉยสุขมันจะ อ, อบอิ่มใจขนาดไหนก็เฉย อ, อ, อบอิ่มแต่ ว, ว่าเราจะต้องพักผ่อนตามเวลาที่เราเคยพักผ่อน ถ้าจิตถึงตอนนี้บรรดาในบ ร, ริษัทเราจะสามารถกำหนดเวลาหลับเวลาตื่นได้สมมติว่าเรานอนทำไม่ดีจะบังคับให้หลับภายในห้านาทีหสานาทีโดยกนหมดรู้ลมหายใจเขาออกอจิตจับธุรลว์ใจออกภายในเวลาเท่านั้นมันจะหลับถ้าเราคิดจะตื่นเวลาไหนตั้งใจไว้ว่าเวลานาฬิกาเท่านั้นเราจะตื่นไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมันจะตื่นตามเวลาที่เราตั้งใจไว้ น่เป็นสมาธินี่ที่มีกำลังสูงเกลี้ยกล้ชาญสนสมาบัติเพนาะใอาการเขาปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งนพองขยองกล้า2สองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกครงสี่ตัวเต้นเมือนเหมือนปุกพระและลอยบป อ, อากาศห้ามีอาการราบซ่านอาการทั้งห้าอย่างนี้อาจจะไม่เกิดกับคนทุกคน บางท่านอาจจะเกิดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เกิดเลยก็ได้แตจิตก็มีความชุ่มชื่นแต่บางท่านก็จะเกิดตั้งห้ายอย่างก็เพื่อธรรมดาท่านพุทธไวสตร์รับทราบไปด้วยเพราะว่ามีหลายคนที่เคยไปถามในเมื่อการแกะปีติเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่อยากจะให้ไหม่มันเป็นอย่างนั้นต้องการให้มันเลิกไปนี้ไม่ถูก สมาธิยังไม่เลยจากนั้นไปหรือไม่ต่ำลงมามันก็จะเป็นแบบนั้นอันหนึ่งอันดับแรกขนพฟองสยองกล่าวมันว่าขนลุกสูโซา่าเริ่มนึกถึงสมาธิพับจิตหลุดขนลุกสโซซามาทันทีทันใดเหมือนกับเรากลัวผีในเวลานั้นจิตจะมีความเอึดอิ่มมากจิตจะมีการทรงตัวนี่แยกร่ารที่หแ่งถ้าหากว่า ถ้าจิตมีอาการทั้งแข็นขนาดนี้ถ้าจิตไม่เลยไปไม่ข น, นลุกแบบจันบางทีใครก็พูดอะไรชอบใจขึ้นมาก็ขนลุกสู่สาก็ต้องปล่อยมันไปเมื่อทําเรื่อยๆไปจิตทรงตัวดีขึ้นมาอาการขนพองหยองก้าวคืคนคล้ขนลุกโซซาก็หายไปต่อไปเ ข, เข้าเขตที่สองก็ดาตาไหลหรืออื่น เริ่มจิตเริ่มมีสมาธิเข้าข้า ด, ดําตาก็เริ่มไหลห้ามไม่ฟังห้ามยังไงก็ไม่อยู่ก็ต้องปล่อยมันปล่อยตามสบายสบายเนื้อดำตาไห ล, ลก็เช็ดมันเวลานี้เคลื่อนไหวได้เพราะว่าถ้าจิตเขาถือุปจาระสมาธิเนี่เคลื่อนไหวได้จิตไม่เคลื่อนเคลื่อนไหวทางกายได้ข้าดําตาไหลแล้วก็เช็ดําตาน้ามูกไหลแล้วก็เช็ดน้ํามูกจิตมันจะทรงตัว ต่อมาถ้าจิตเลยก็อีกนิดหนึ่งทีิา ต, ตาเลือกไหลมันจะหยุดสักพักหนึ่งจิตมีกลังสูงขึ้นก็จะมีร่างกายก โ, โยกรงโยกหน้าโยกหลังโยกข้า ง, างซ้ายโยกขวาโยกไปโยกมาทาั้งทที่ร่างกายโยกแบบนั้นจิตก็มีความสุขจิตก็มีความเอิบอิ่มอันนี้แบบการที่สามก็ปีติต้องจาไว้ด้วยนะ ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปอย่าฝืนถ้าฝืนจะเป็นการลดกำลังสมาธิลงปล่อยไปนันเมื่อกำลังมันเต็มสมาธิปิติตัวนี้แล้วต่อไปจิตก็จะร่างกายก็จะหยุดชั่วคราวต่อไปเมื่อเข้าถึงเพลงคาวิติคือวิติตัวที่สี่ก็จิงมีการเต้นมันก็ปลูกพระสิ่ปั๊บปัปับปปปั๊ บ, บ, บ, บ, บนะ